อย่านั่งขัดสมาธินะนั่งภาพเพียบได้นั่งภาพเพียบดีกว่าไ่สุภาพงาจากที่ไหน้ดีอยู่ชลบรีค่ะกลังจะไปปฏิบัติที่ว่าเขาใหญ่เจริญธรรมา่ะอ๋อจะไปอยู่ต่อ<ด>อ๋ก็อยู่ไปเรื่อยๆ่ะยังไม่ค่ไกอ๋อไปที่พักก่อนเหรอ คุณชายปังจะาพาไปคุณชายปังจยพาไปแล้วจากคุณชายปังเลยใช่ค่ะอ๋อถูกทอเรียนแล้วอืมอาจารก็บอกว่านัดเดืที่แล้วเราจะไปคือแ้กผมว่าจะไปพุทธศักราชก่อนทีนี้ต้องตัดสินใจว่าจะไปวัดเขาใหญ่จะทำที่ไหนได้ที่ไหนก็เหมือนกันอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ตัวเราปฏิบัติได้หรือเปล่า รักษาสิ่งแปรได้หรือเปล่าถ้าได้อยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้ก็อยู่ความตั้งใจถ้ามีความตั้งใจก็จะทําทําอะไรก็ทําได้ถ้าไม่มีความตั้งใจมันก็ทําไม่ได้ได้หนังสือไปเรียนอย่ากนด้หนังสือซีดีก็หยิบเอานะะอ ไม่ใครอยากจะถามอะไรมไหม่ามมาเลยผมก็ฝึกนั่งสมาธิก่อนได้นิ่งพอสมควรโดยใช้ลมหายใจครับเมื่ อ, อเดือนที่แล้วนี่เป็นไข้ก็มีติดเชื้อในกระแสะเลือดแล้วก็ตอนนั้นก็ภาวนาใช้ลมหายใจเนี่ยแต่ใช้ไม่ไม่เหมือน สติไม่นิงครับเพราะว่าสั่นตลอดตอนที่มีอาการสั่นอะไข้ขึ้นก็พยายามใช้ลมหายใจแต่ว่าสติไม่มีเลยก็เปลี่ยนเป็นใช้พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธนี้พอดีมันความร้อนมันขึ้นสูงมากว่ามะเป่าปากตลอดรู้สึกว่าถึงใช้พุโทโธนะสติ ก, ก็ไม่มีจึงเลยเรียนถามอาจารย์ว่าถ้าอย่างเงี้ยคือเรามีความรู้สึกไหมครัเราอาจจะ จะชีวไปเลยก็ได้อืซึ่งตอนนั้นมันก็ไม่สมบงบอะซึ่งก็พระอาจารย์ก็บอกว่าฝึกๆอย่าเนี้ยก็เพื่อสู้กับตอนที่เราจะสิ้นลมหายใจอเพื่อจะได้สบงบแต่พอที่เราโลภสั่นตลอดสั่นมามันไปว่าจะพุโทโธอะไรก็รู้สึกตัวเองเนี่ยไม่ได้มีสติ ก, กับพุทไม่มีสติอยู่เลยอเหมือนกับไปพูดไปอย่างนั้นเองก็ลเลยเลยที่เรียนถามพระอาจารย์ว่าลักษณะอย่างนี้ถ้า สมมว่าจะต้องตายถึงโลกนี้ไปจริงๆแล้วเราจะทํายังไงให้สงบครับก็ตอนนี้เราก็ต้องพยายามมาสร้างสติให้มากพยายามเจริญสติตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยพอตื่นขึ้นมาก็ใช้พุทโธพุทโธอริยกรรมไปหัดให้มันเป็นนิสัยทําอะไรเราก็พุทโธพุทโธไปถ้าเราไม่ต้องใช้ความคิดถ้าต้องใช้ความคิดกับเรื่องที่เรากำลังทำอยู่เราก็ หยุดพุโทโธไว้ก่อนเช่นเราต้องคํานวณต้องวางแผนต้องคิดอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่เรากำลังทําอยู่ดังนั้นเราก็หยุดพุโทโธไปแต่ช่วงไหนเวลาไหนที่เราไม่ต้องใช้ความคิดแล้วมันจะไปคิดด้วยเบื่อคิดถึงเรื่องไรสาระต่างๆเราก็ใช้พุโทโธพุธโทโธคอยดึงมันไว้ใจเราก็เหมือนกับม้าพยศเนี่ย ถ้าเราไม่คุมมันไว้เวลามันพยศเราก็จะดึงมันไว้ไม่อยู่เวลามันไปเจอเหตุการณ์ที่ทำให้มันสั่นนี้ถ้าเราไม่มีสติเราไม่มีพุโทโธมันก็จะหยุดมันไม่ได้ถ้าเราไม่ซ้อมไว้ก่อนพอถึงเวลาเราจะทาไม่ได้ตอนนี้เราต้องพยายามซ้อมสติให้มากๆฝึกสติให้มากเอก พยายามนึกถึงพุทธโธพุทธโธไปอยู่เรื่อยๆหรือถ้าอยากจะใช้บทสวดมนต์ไปในใจก็ได้ท่องอรหังสัมมาสวารคาโตสุปฏิปันโนไปท่องไปเรื่อยๆหลายๆรอบอย่าให้ใจมันมีอำนาจที่จะคิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้เราต้องคุมมันให้ได้ ควบคุมไม่ให้มันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้เพราะเดี๋ยวเวลามาเจอความเจ็บมันจะไปคิดถึงเรื่องความเจ็บแล้วมันก็จะมันก็จะเกิดความอยากไม่หายเจ็บมันก็จะทุกข์ถ้ามันเจอความเจ็บแล้วมันไม่สนใจมันอยู่กับพุทโธได้มันก็จะไม่ทุกข์มันก็จะไม่สั่นเดิมที่พระอาจารย์เคยบอกว่าให้ใช้ลหายใจ ก็ได้ใช้ลมหายใจจนมัน hmm. นิ่งนะแล้วมีสติเมื่อมีคิดอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้แล้วเราก็วางปล่าแต่ตอนนั้นน่ะก็ความคิดมีครับแต่ปฏิบัตไม่ได้ความคิดมีว่าอันวิเวทนาซึ่งเราเดือดร้องมีสติไปด้วยแล้วเราต้องปล่อยวางแต่มันมันมันไม่ไม่วางนะวางไม่ได้ตลอดเพราะว่ากําลังของความอยากมันมากกว่า กำลังของการปล่อยวางสติเราน้อยกว่า <Okay. S 1> อันนั้นเราต้องใช้การบริกรรมให้มันถี่ยิบขึ้นไปเลย <Okay. S 1> พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปแบบไม่สนใจกับความเจ็บเลย <Okay. S 1> อันนั้นยอมยอมขาดใจใตายไปกับพุโทโธเลยถ้ามันทําอย่างนั้นมันก็จะหยุดได้หยุดแล้วใจสงบแล้วมันจะหายสัน่นะ ความเจ็บก็จะไม่มาทําให้เรารู้สึกเดือดร้อนแต่อย่างใดอยู่กับความเจ็บได้คือเรามีมีสมาธิมีสติอยู่ที่พุโทโธโดยไม่ต้องโดยพุโทโธพาเรามีสมาธิอยู่กับพุโทโธสติพุโทโธแล้ให้ความเจ็บมันก็จะหายมันมันจะไม่เข้ามาสร้างความวุ่นวายให้กับเราควาจรินตัวความเจ็บเองมันไม่ได้เป็นตัวสร้างความวุ่นวาย ตัวกิเลสตัวใจเราไปปฏิเสธไปไปเกียดมันไปไม่ชอบมันอยากจะให้มันหายไอตัวนี้ที่ทำให้ใจเราวุ่นวายขึ้นมาถ้าเรามีกำลังของสติหยุดไอตัวนี้ได้ใจ ก, ก็จะเฉยถ้าเราไม่มีสติเราก็ต้องใช้พุทโธเป็นตัวสร้างสติขึ้นมาทํ้บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไป ถ้าตรงนี้เราเราไม่ต้องปล่อยวางอะไรก็นี่คือวิธีปล่อยวา ง, งวิธีปล่อยวางก็คือให้ใช้สติสต อ, อ, อถ้ามันถ้าเรามีสติแล้วเราก็ไม่ต้องถ้าเราปล่อยวางได้เราก็ไม่ต้องใช้พุโทโธแสดงว่าเรามีกำลังสติเรามีกาลังสติมันมีหลายระดับบางทีไม่ต้องใช้พุโทโธไม่ต้องใช้ลงเพียงแต่รู้ว่ารู้เฉย มันก็องน้ก็มีสติเต็มที่ให้รู้เฉยๆรู้ว่าเจ็บก็เจ็บไปมันเจ็บก็เจ็บไปเราก็เฉยๆออกไปถ้าไม่เฉยก็แสดงว่าสติไม่พอหยุดทําให้ใจเฉยไม่ได้ก็ต้องรีบสร้างสติขึ้นมาในตอนนั้นจะใช้คำบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปจะใช้การสวดมนต์ไปก็ได้สวดอรหังสัมมาสุ ป, ปัตถิปโนสวากาโตไป เมืนเวลาที่ไปเจอผีไปกลัวผีก็แบบเดียวกันเอกลัวกลัวอะไรมากๆใจจะสั่นนะก็ใช้การสวดมนต์ไปคิดถึงพระพุทธจเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สวดแล้วพุทธโธธรรมโมสังโฆไปหรือพุทธังสานังกฉามิธรรมังสานังกฉามิสามังสานังกฉามิอะไรก็ได้ที่ทําให้ใจเราไม่ไปคิดถึงเรื่องของความเจ็บหรือความกลัว ไม่ให้ไปคิดถึงผีแม่คิดถึงความเจ็บของร่างกายเดี๋ยวใจมันก็จะนิ่งจะสงบแล้วมันก็จะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บเลยบงที่ความเจ็บก็หายไปก็ ม, ม, มีผมผมก็ได้ทำแต่ไอ้คนการที่พูโทโธนั้นมันไม่มีสติรู้เลยว่า มันไม่มีสติดึงใจไม่อยู่ไม่ได้อยู่กับไม่มีสติให้ใจนิ่งไม่ได้ทําใจให้นิ่งไม่ได้นิ่งไม่ได้แต่ว่าแล้วจนกระทั texts, ่งมันมันเหมือนกับหมดแรงไปเลยแล้วก็ก็อาการสั่นก็อืยแต่แต่พอตื่นขึ้นมาแล้วก็เราก็ผมก็พยายามจะ ไม่มีสติแต่รู้เลยว่าสติไม่มีไม่มีสติไม่มีตั้งตั้งสติไม่ได้ก็ควรจะควรจะพุโทโธไปเรื่อย<ๆ>เรื่อยเรื่อดูลมหายใจไปเรื่อยอย่าปล่อยให้ใจลอยไปกับเรื่องราวต่างๆพยายามดึงมันไว้ให้มีอะไรผูกใจใจเป็นเหมือนเรือเราต้องเท่าสมอเลรือถ้าเท่าสมอเรื อ, ม, อ, รอมันก็จะไม่ไหลไปตามกระแสน้ำ ใจเหานี้ก็มีกระแสของความคิดมันจะมันจะมาคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอเราไหลไปมันก็จะไม่นิ่งพอไปเจอเหตุการณ์ที่มันต้องการจะไหลมันก็ไหลนีมันที่มันไหลมันมันอยากจะหนีจากความเจ็บนี้ไม่ได้มันก็สั่นเราก็ต้องใช้สติหยุดมันบอกไม่ต้องหนีอยู่เฉย ถ้าใจอยู่เฉยๆแล้วใจปลอดภัยตอนนั้นมันมีคิดว่าเมื่อไหร่เขาเอายาแก้ลดไข้มาให้ทันทีะจะวัดเช็ดตัวทันทีไม่มีไม่มีสติให้ด้ไม่คิดถึงธรรมโอษฐ์ไ ม, ม่ไม่ได้คิดเลยอเอาแต่เอาแต่ยารักษาทางร่างกายซึ่งความเจ็บจริงๆนี่มันหนักที่ที่ใจเวลาร่างกายเจ็บในี้ใจมันก็เจ็บขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเจ็บเพราะความอยาก อยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไปไอตัวนี้มันดุนด้งกว่าความเจ็บของร่างกายที่เราทนยังไม่ได้ไม่ใช่เพราะความเจ็บของร่างกายแต่ความเจ็บของใจแต่ถ้าเรามีสติหยุดมันได้มันก็จะไม่รู้สึกอะไรหรือถ้าเรามีปัญญาใช้ปัญญาก็พิจารณาดูความเจ็บของร่างกายไปเลยแยก ความเจ็บจากใจไปเลยว่าใจเป็นผู้รู้ <_ ess im> ความเจ็บนี้เป็นความเจ็บของร่างกายออกมาจากทางร่างกายร่างกายไม่รู้เรื่องของความเจ็บเลยเหมือนไฟที่มันร้อนเนี่ยมันไม่รูนนร้ว่ามันร้อนเลยแต่คนที่ไปดูไฟไปอยู่ใ ก, ใกล้ๆไฟมันมันมันเป็นตัวที่ร้อนแทนนั้นไม่นอกไปกังวลกับเรื่องของร่างกายร่างกายมันไม่เดือดร้อนนะ มันจะเจ็บมันจะตายมันก็ไม่เดือดร้อนที่เดือดร้อนคือใจที่ไปหลงคิดว่าเป็นร่างกายแล้วไปเดือดร้อนแทนร่างกายถ้าสามารถแยกใจออกมาว่าเป็นเพียงผู้รู้ผู้ดูเหมือนผู้ที่นั่งอยู่ข้างๆกองไฟดูไฟไปไฟมันจะลุกขนาดไหนคนดูก็ไม่ได้ถูกไฟเผาแต่คนดูกับเดือดร้อนแทนกองไฟ พรอไม่ชอบพอไม่ชอบความเจ็บของร่างกายไม่ชอบไฟอยากจะให้ไฟดับพอเกิดความอยากก็เลยเกิดความเครียดขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจเกิดใจสั่นขึ้นมาตัวนี้ต่างหากที่ทำให้ใจสั่นถ้าเราใช้ปัญญาก็บอกว่าใจไม่ได้เป็นอะไรต่อให้ร่างกายร้อนขนาดไหนเจ็บขนาดไหน ใจก็ยังเป็นใจเหมือนเดิมเหมือนกับตอนที่ไม่เจ็บอใจเป็นเหมือนคนดูภาพยนตร์ร่างกายนี้เป็นตัวละครตัวภาพยนตร์แต่ใจไปตื่นเต้นไปกับตัวภาพยนตร์เวลาเราดูภาพยนตร์นี้ใจบางทีเราก็ตื่นเต้นหวาดเสียไปกับภาพยนตร์นแต่ แต่คนดูไม่ได้เป็นอะไรเวลาที่เกิดอะไรกับคนแสดงในภาพยนตร์นั้นเรา ต, ต้องแยกใจออกจากร่างกายว่าใจเป็นเพียงผู้รู้ร่างกายเป็นผู้กำลังรับความเจ็บอยู่เป็นผู้ที่ที่ความเจ็บเกิดขึ้นแต่มัน มันไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะร่างกายมันเป็นอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าเราใช้ปัญญาได้เราก็จะปล่อยวางร่างกายไนะปล่อยวางความเจ็บได้แต่แ ต, แต่ก็ได้บทเรียนว่ากบปินเรานี่พร้อมจะตายทุกขณะ โม <BS> ระดาและสตินี่ได้ชัดเลย <BS> เพราะว่าเออก็ดูแรงแข็งแรงแต่พอมีไข้เหนื่อยขึ้นมาแล้วมันเหมือนกับร่างกายมันช่้ไม่ได้แล้วแต่เราก็ไม่สามารถจะมีสติอยู่ที่ใจเหมือนที่หลวงพ่อสอนได้เพราะเรายังปฏิบัติน้อยเกินไปยังบอกว่าต้องปฏิบัติให้เต็มร้อยพวกที่เขาผ่านเวทนาผ่านอะไรได้านี่ยเขาเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพกัน เราเป็นมือสมัครเล่นเราปฏิบัติวันละไม่มากมืออาชีพนี่ก็ปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับเนี่ยเขาคุมใจด้วยสติตลอดเวลาตื่นขึ้นมานี้ก็มีสติควบคุมอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายคอยดูร่างกายว่ากำลังทำอะไรอยู่ไม่ให้ใจไปคิดเรื่องอื่น การดูกายนี้ไม่ได้เป็นการพิจารณากายเป็นเพียงแต่การใช้กายเป็นที่ตั้งของใจผูกใจไว้ยังไม่ใช่เป็นปัญญาเพียงแต่ดูเฉยๆนี่เป็นเพียงแต่สร้างสติขึ้นมาให้มีสติอยู่กับร่างกายเพื่อจะได้ไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นของเรื่องของความอยาก ออไปใจไปคิดถึงเรื่องของความอยากขึ้นมาเมื่อไหร่มันจะทุกข์ขึ้นมามา่นั้นเช่นไปไปคิดถึงคนนี้คนนี้เราอยากให้ก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ไม่สบายใจขึ้นมาแล้วทั้งทั้งที่ร่างกายไม่ได้เป็นอะไรแต่ใจกลับไม่สบายแล้วถ้าเราไม่เป็นความอยากกับเรื่องอะไรก็ตามเช่นเรามีหนี้มีศิลอยากจะให้มันหมดหนี้หมดสินพอคิดถึงเรื่องหนี้สินก็ไม่สบายใจขึ้นมาแล้ว เพราะอยากให้มันหมดแต่ถ้าเราไม่ไปคิดถึงมันเราก็ยังไม่รู้สึกอะไรความไม่สบายใจก็ไม่มีนี่มีก็มีไปใช้ได้ก็ใช้ไปใช้ไม่ได้ก็ไม่ได้ใช้มันก็ไม่ได้ทำให้เราไม่สบายใจแต่ถ้าเราไปอยากให้มันหมดหนี้หมดสินและยังไม่หมดนี่มันก็จะไม่สบายใจขึ้นมา ยังที่เราฝึกสตินี่เพื่อควบคุมความคิดของเราไม่ให้คิดไปในทางความอยากพอคิดไปในความอยากแล้วมันจะทุกข์ขึ้นมาเวลาเกิดเหตุการณ์ที่ใจอยากจะให้ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วมันไม่เป็นมันก็จะเครียดมันก็จะทุกข์เช่นเวลาร่างกายเจ็บปวดก็อยากจะให้มันหายอพอไม่หายใจมันก็เครียดขึ้นมา สั่นขึ้นมาแต่ถ้าเรามีสติควบคุมความอยาก่อยให้มันเจ็บไปเพราะเรารู้ว่าเราไปจัดการกับมันไม่ได้ร่างกายความเจ็บของร่างกายมันจะเจ็บก็ต้องเจ็บมันจะหายเดองมันก็หายเองมันเป็นอนิจจังมันเป็นอนัตตาที่มันเป็นทุกข์เพราะเราไปอยากเราต้องเห็นตัวเนี้ยเห็นว่า ที่เราทุกข์นี้เพราะเราไปอยากให้มันหายความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจที่เราสามารถหยุดมันได้ด้วยการใช้สติพุทโธก็ได้หรือใช้ปัญญาสอนใจว่าอยากยังไงมันก็ไม่หายถ้ายังไม่ถึงเวลาที่จะให้มันหายมันก็ไม่หายอยากก็ทําให้ใจทุกข์ไปเปล่าๆก็จะเข้าใจ หลักของอริยาศาสตร์สีว่าความทุกข์ใจเกิดจากความอยากของเราความดับของความทุกข์ใจก็เกิดจากการยอมรับความจริงว่าเราทำอะไรไม่ได้พอเรายอมรับว่าออทำอะไรไม่ได้มันจะเจ็บก็ต้องเจ็บไปมันจะตายก็ต้องตายไปเรายอมปรงยอมรับความจริงใจก็จะหยุดต่อสู้หยุดความอยาก พอหยุดความอยากใจก็สงบร่างกายจะเจ็บหรือไม่เจ็บก็ไม่เป็นปัญหาร่างกายจะตายหรือไม่ตายก็ไม่เป็นปัญหากับใจเพราะใจปล่อยวางร่างกายปล่อยวางความเจ็บปล่อยวางความตายได้นี่คือการใช้ปัญญายอมรับความจริงว่าหนึ่งร่างกายไม่ใช่ตัวเรา สองเวลามันเจ็บเราจะให้มันหายไม่อยากให้มันหายไม่ได้มันจะหายไม่หายไม่ได้อยู่ที่ความอยากของเราถ้าเราไปอยากเราจะทุกข์กับมันไปเปล่าๆถ้าเราไม่อยากเราก็จะไม่ทุกข์กับมันนี่คือสิ่งที่เราต้องสอนใจฝึกใจไว้ให้รู้จักปล่อยวางถ้าเราปล่อยวางได้แล้วใจเราจะเย็นจะสบาย จะเจ็บน้าแข็งมันก็ยังเย็นอยู่เป็นยังเป็นถึงแม้จะโยนน้าแข็งเข้าไปในกองไฟน้าแข็งมันก็ยังเป็นน้าแข็งอยู่มันก็ยังเย็นอยู่จนกว่ามันจะละลายหมดไปดังนั้นพยายามฝึกสติหรือใช้ปัญญาสอนใจให้มองว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยมเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ อยากไปอยากให้ม mm ันไม่แก่อยากให้มันไม่เจ็บอยากให้มันไม่ตายเพราะเกิดความอยากเหล่านี้ขึ้นมาแล้วจะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาโดยใช่เหตุโดยที่ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงความจริงร่างกายก็ยังต้องแก่ยังต้องเจ็บยังต้องตายอยู่ดีแต่ถ้าเราหยุดความอยากนี้ได้เพราะเราพิจารณาว่าร่างกายนี้มันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นอันนี้จังมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันเป็นอนัตตา มันไม่ใช่ตัวเราเราไปสั่งมันไม่ได้สั่งให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้พอเราไม่ไปยุ่งกับมันปล่อยมันไปมันแก่จะเจ็บจะตายก็ปล่อยมันไปให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันใจของเราก็จะไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ใจก็จะสบายตายอย่างสบายตายอย่างสงบเจ็บอย่างสบายแตบเจ็บอย่างสงบ นักปฏิบัติเวลาเป็นไข้พระที่เข้าไปอยู่ในปา่าเวลาเป็นไข้ก็ไม่มียารักษาหรอกเขาใช้ธรรมโอสถเนี่ยเขาใช้สมาธิใช้สติใช้ปัญญาสามตัวเนี่ยคือตอนนั้นผมเข้าใจผิด<ม>ก็คิดว่าจะจะเหมือนกับว่าจ ะ, จะไม่ให้สั่นเลยพยายามให้มีสมาธิากับอะไรสักดุดแต่มันไม่มีเลย สมาธิจะสร้างไม่ไดไม่มีสติไม่มีสติที่จะสร้งได้เลยเพราะเราไม่มีเราไม่ได้ฝึกไว้เรายังเข้าสมาธิไม่เป็นแล้วเข้าไม่ได้ถ้าเราชํานาญแล้วเวลาเกิดอะไรขึ้นมาเราสามารถใช้สมาธิเป็นที่หลบได้แต่มันก็สู้ใช้ปัญญาไม่ได้ปัญญาไม่ต้องไม่ต้องหลบปัญญาไปพิจารณาหาสาเหตุของความวุ่นวายใจว่าเกิดจากอะไร ก็เกิดจากความอยากของใจนี้เองอยากให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้มันเป็นไปได้จึ่อยากจะให้ความเจ็บหายไปมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราอยากไปอยากให้มันหายใจของเราก็จะไม่ถูกเวลานั้นก็คิดถึงแต่ย า, าไม่ได้คิดแต่ที่หลวงพออ่อคิดปัญญาจะคิดไม่มีก็ค่อยากยาให้มันเจ็บหายยามาให้มันจะาา ไ, ได้ไไดาไหายปวดให้ลงออย่างี้ ไม่ไม่ได้คิดไม่ได้มีคิดทังที่หลวงสอนเลยอันที่เกิดปัญญาเลยอันที้ถ้าทิศทางปัญญาก็คุมหัวเลยคุมปองให้มันไข้ขึ้นให้มันสุดๆให้มันร้อนแบบเหงื่อแตกพักไปเลยแล้วมันไข้มันจะหายใช่ไหมเวลาเป็นไข้นี่นั่งสมาธิให้เหงื่อแตกพักไปเลยเอาผ้าคุมหัวอย่างเงี้ยให้มันร้อนสุดๆเลยพอเหงื่อแตกเต็มที่ไข้หายเลย เชื่อไหมลองทำดูไม่ลองกินยาขอให้มันเหงื่อแตกไปทั้งตัวเบียกช่วมไปทั้งตัวอะไเนี่ยแล้วพอแล้วไข่มันก็จะจะสมุตัวลงไป ว, วิธีเวลาพระก็เป็นไข้กัน เ, นเขาตัอจกานั่งสมาธิเวลานั่งสมาธิจะร่างกายมันจะร้อนมันจะทาให้เหงื่อแตกแล้วอันนี้ส่วนหนึ่งนะส่วนที่ช่วยทางร่างกาย ส่วนทางใจท่านก็ทําใจให้สงบให้ใจไม่วุ่นวายไปกับไข้ ข, ของร่างกายจะใช้วิธีของสติสมาธิหรือจะใช้วิธีของปัญญาก็ได้แล้วแต่ว่าจิตอยู่ในระดับไหนถ้ายัางใช้ปัญญาไม่เป็นก็ใช้สติไปห่อนพุโทโธพุโทโธไปก่อนถ้าใช้ปัญญาก็พยายามแยกร่างกายออกจากใจบอกว่าร่างกายเป็นตัวตัวเจ็บใจไม่ได้เป็นตัวเจ็บใจไม่ต้องไปวุ่นวายกับมัน อย่าไปอยากให้ร่างกายมันไม่เจ็บห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้เอปล่อยมันเจ็บไปข่มหัวให้มันเื่อแตกพักไปเลยพอเหงื่อแตกพักไปนี้ขไข้หายเลยตอนตอนตอนนั้นคิดวนะ่าเอออาจจะตายเออเรายัางปฏิบัติทําไม่ได้เท่าไหร่เลยจะตายจะแล้วแต่ออยังกลับมาเสียดายว่าไ อ, อ, อ, อตอนที่อยู่นี่ไ ม, ไม่ปฏิบัติให้มันรู้ ให้มีสติดีกว่านี้ครับตอนนี้หายแล้วแกก็จะมาทําหรือเปล่าทำครับตอนแตนน่ตอนนี้ก็ทําไม่ใช่ท<ำ>ําทํามากขึ้นดีขึ้นนานขึ้นไม่ใช่ตอนนั้นก็คิดอย่างนั้นพอหายแล้วก็ลืมหายแล้วก็ขี้เกียจทำํำนะก็ต้องพยายามทําให้มากๆควรจะหาวันว่างไหนทํามันทั้งวันดูสักวันหนึ่งจะได้ผลมาก เป็นวันพระวันหยุดที่เราไม่ต้องทํางานหาที่สงบที่ไหนก็ได้ที่วัดก็ได้หรือที่ที่บ้านก็ได้ที่เราสามารถปฏิบัติได้ทั้งวันเดินจงกรมนั่งสมาธิปฏิบัติสติควบคุมใจไม่ให้ลอยไปลอยมาไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆก็ลองทําให้ดูเวลายัง มันใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วมีใครอยถามอะไรไหมอยากให้วาสจาริวายเรื่องการเดินจงกรมตามตะวันนะคะตามทิศตะวันออกไปตะวันตกค่ะเพราะว่าอ่านมาจากหนังสือหลวงตาค่ะท่านก็บอกสอนมาอย่างนี้แต่เจอลูกเจอหลายคนชอบเถียงแล้วก็บอกว่าเดินทิศไหนก็ได้ขอมีสติก็พอ ทำไมครูบาอาจารย์ท่านถึงห้ามไม่ให้เดินขวางตะวั น, นะค่ะก็อยากให้ลายอาจารย์ช่วอธิบายเพราะว่าจะได้อธิบายคนอื่นได้ด้วยค่ะก็เป็นคําพูดของครูบาอาจารที่ท่านสอนมาซึ่งท่านก็ไม่ได้บอกเหตุผลว่าทําไมจะต้องเดินตามตามตะวันเราเป็นลูกศิษย์ที่เคารพครูบาอาจารย์เราก็เดินตามตะวันไปก็แล้วกัน แต่ถ้ามันอยู่ในที่ที่ไม่สามารถเดินตามตะวันได้ก็เดินตรงหนักยางไรก็ได้เพราะโดยหลักก็มันก็อยู่ที่ตัวสตินี่เป็นหลักแต่ที่เราเดินตามตะวันกันก็เพราะว่าเราเชื่อเราเคารพครูบาอาจารย์ท่านสอนให้เดินตามตะวันก็เดินไปแต่การเดินตามตะวันหรือไม่เดินตามตะวันก็ไม่ใช่เป็นตัวที่จะทำให้เรา ได้ประโยชน์ประโยชน์ที่เราต้องการก็คือสติเฉะนี้นเราก็ต้องเดินด้วยสติไม่ว่าจะตามตะวันหรือไม่ตามตะวันแต่เราไม่ต้องไปเถียงกับใครใครจะเดิน ต, ตะวันหรือจะไม่เดินตามตะวันก็เป็นเรื่องของเขาไปแล้วเวลาที่เราเดินได้สติแล้ว เดินได้สติในการจงกรมแล้วเราจำเป็ น, นะครคะว่าเราจะต้องไปนั่งสมาธิต่อหรือว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราเดินมามากมามากจนรู้สึกว่ามันมีเหงื่อแล้วก็รู้สึกอยากไปอาบน้ำก่อนแล้วค่อยมานั่งสมาธิต่ อ, อย่างนี้ได้หรือเปล่าคะหรือว่าควรจะนั่งต่อไปเลยคือการปฏิบัตินี่มันก็ต้องมีการเปลี่ยนไอเดียบนเดินเมื่อยแล้วก็นั่งนั่งเมื่อยแล้วก็ลุกมาเดิน แต่เวลาเหงื่อออกหรืออะไรนี่ไม่ต้องไปอาบน้ำนะอ น, นัตปฏิบัติเขาไม่ไปไม่ไปไปอาบน้ำอาบน้ําอาบเฉพาะเวลาที่ต้องอาบเช่นวันละครั้งหนึ่งถึงเวลาเย็นจะค่อยอาบไปทีเพราะถ้าไปอาบนี่ก็แสดงว่าเราไปมีกิเลสอยากจะผ่อนคลายความไม่สบายทางร่างกายที่เกิดจากเหงือ่อใคร ก็อยากจะไปอาบน้ําอันนี้ก็เป็นการไปปฏิบัติให้กับกิเลสซึ่งเราต้องหัดอยู่ทนอยู่กับมันไปเหงื่อจะออกก็ช่างมัน เ, เมื่อยังไม่ถึงเวลาอาบเราก็ไม่ไปอาบเงี้น เ, เดี๋ยวอาบทั้งวันเดี๋ยวเดินได้สักพักหนึ่งอ่ะ อ, อยากอาบน้ำนะ เ, เดี๋ยวเดี๋ยวนั่งสมาธิออกมาเ อ, อ, ยอยากจะอาบน้ำอีกแล้วถ้าอย่างนี้มันไม่ใช่เป็นวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง การอาบน้ํานี่เพื่อชำระร่างกายวันละครั้งก็พอไ ม, ไม่ใช่นั่งสมาธิปั๊บเหงื่อแตกลุกขึ้นมาอาบน้ำแล้วอาบน้ําเสร็จไปเดินโยงโจงกอบเดี๋ยวเหงื่อแตกอาบอีกแล้ววันนึงอาบสี่ห น, นยอย่างนี้ยังไม่ใช่เป็นการฆ่ากิเลสเป็นการส่งเสริมกิเลสการอยากอาบน้ํานี่ก็เป็นการมันทะ อยากจะสัมผัสกับความสบายทางร่างกายพอร่างกายมันไม่สบายก็อยากจะทำให้มันสบายขึ้นมาเราต้องการทำใจให้สบายไม่ได้กังวลเรื่องของร่างกายจะสบายไม่สบายไม่เป็นปนัญหาอะไรถ้าใจสบายแล้วมันจะไม่เดือดร้อนกับความไม่สบายของทางร่างกายพยายามอาบวันละครั้งก็พอ ถ้ะนีท่านอากันแค่วันละครั้งตอนตอนเย็นตอนที่ปอดกวาดเสร็จแล้วทำกิจอะไรเรียบร้อยแล้วก็อาบกันหลังจากนั้นท่านก็ไม่อาบจนกระทั่งถึงวันต่อมาตอนเช้าก็ไม่มีเวลาอาบเพราะพอสว่างก็ต้องไปบินธบารฉะนั้นก็ปฏิบัติเพื่อให้ใจสงบเพื่อให้ใจเกิดปัญญา เพื่อจะได้ปล่อยวางร่างกายปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจไปมีความเกี่ยวข้องด้วยปล่อยวางคนนั้นคนปล่อยวางคนนี้อย่าไปยึดอย่าไปติดกับเขาเพไม่ช้าก็เร็วจะต้องจากกันถ้าถ้ายึดติดเวลาจากกันก็จะเสียใจจะทุกข์ใจถ้าปล่อยแล้วเวลาจากกันก็จะไม่ทุกข์ใจจะไม่เสียใจ ที่เรามาปฏิบัติกันเพื่อทำให้เราไม่ทุกข์ใจไม่เสียใจเราก็ต้องหัดปล่อยหัดอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวแล้วก็อยู่กับความว่างอย่างเดียวไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสมาเป็นเพื่อนมาให้ความสุขไม่ต้องมีคนนั่นคนนี้มาเป็นเพื่อนมาให้ความสุขไม่ต้องมีเงินมีทองมาให้ความสุขเอาความสุขกับการ มีธรรมะมีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วจะทำให้ใจนี้อยู่กับความว่างเปล่าได้ความว่างเปล่าก็คือไม่มีอะไรแม้แต่ร่างกายก็ไม่ต้องมีก็ได้ถ้าใจมีธรรมะแล้วร่างกายจะเป็นจะตายก็ไม่เป็นปัญหาเลยเพราะไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเพื่อนตอนนี้ใจยังต้องใช้ร่างกายเป็นเพื่อนเป็น เครื่องมือหาความสุขต่างๆแต่ถ้าใจมีความสุขในใจแล้วจะไม่ต้องใช้อะไรเป็นเป็นเพื่อนเป็นเครื่องมือหาความสุขอยู่เฉยๆใจสบายนั่งกายเจ็บก็ไม่เดือดร้อนนั่งกายแก่ก็ไม่เดือดร้อนนั่งกายตายก็ไม่เดือดร้อนมีอะไรดูแล้วไม่มีดูก็ไม่เดือดร้อนมีอะไรฟังแล้วไม่มีอะไรฟังก็ไม่เดือดร้อน อยู่ในปา่าได้อยู่ในป่าคนเดียวสบายไฟฟ้าก็ไม่ต้องมีน้ำปักปาก็ไม่ต้องมีอยู่ในที่นี่มีอะไรไม่มีอะไรหรอกคนที่ขึ้นมาอยู่บนนี้เขามาฝึกอยู่กับความว่างพวกเราอยู่ที่บ้านอยู่ต้องอยู่กับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสต้องมีทีวีดูมีโทรศัพท์ฟัง มีตู้เย็นไว้เปิดหาขนมนมเนยเครื่องดื่มอะไรกินต่างๆอมีเพื่อนมีแฟนมีอะไรอแล้วเป็นยังไงสุขประเดี๋ยวประดาวใช่ไหมเดี๋ยวบางทีก็ทุกข์ขึ้นมาเวลาตู้เย็นเปิดมาไม่มีอะไรกินเลยว่างเวลาไฟดับเป็นไงเดือดร้อนเวลาน้ําประปาไม่ไหลเป็นยังไงเดือดร้อนไหม มันอยู่ในป่านี่ก็อยู่แบบธรรมชาติอยู่เหมือนกับลิงอยู่ไม่ต้องใช้น้ำ ป, ปา่าไม่ต้องใช้ส้วมป่านี่มันเป็นช้วมใหญ่ปวดท้องที่ไหนก็ขี่ที่นั่น <c oughs> ไฟดับเ ไ, ไม่เดือดร้อนเพราะไม่ได้มีเครื่องใช้อะไรที่ต้องใช้ไฟเนีย่ยพวกเราไปพึ่งของข้างนอกกันไม่พึ่งของข้างใน เราก็เลยเดือดร้อนเพราะของข้างนอกมันไม่แน่นอนบางทีมันก็มาบางทีมันก็ไม่มาเวลาไม่มาก็วุ่นวายกันไปหมดเวลามีอะไรก็ดีใจพอเวลาเสียไปก็เสียใจแต่ถ้าเรามาฝึกปฏิบัติธรรมอยู่กับความว่างได้อยู่กับความไม่มีอะไรได้สบายเพราะความว่างนี้ไม่มีวันหายไปอะไรมันต้องมีหายไป ถ้าไม่มีอะไรมันก็จะไม่มีอะไรหายวิธีที่จะอยู่กับความว่างได้ก็ต้องมีสติมีสมาธิมีปัญญานำจาจให้สงบทำจาจให้นิ่งแล้วใจจะไม่หิวใจจะอิ่มใจจะพอใจจะมีความสุขความสุขของใจคือความสงบของอย่างอื่นนี่เป็นยาพิษรูปเสียงกลิ่นรสนี่เป็นยาพิษ เป็นเหมือนยาเสพติดพอเราปกติเราไม่ต้องเสพยากันใช่ไหมแต่คนที่ไปเสพยาพอเวลาเขาเสพเขาก็มีความสุขพอเวลาเขาไม่มียาเสพเขาก็ทุกข์คนที่เสพ ร, รูปเสียงกลิ่นลดเวลามีเสพก็สุขเวลาไม่มีเสพก็ทุกข์พวกเราเนี่เป็นพวกติดรูปเสียงกลิ่นมาตั้งแต่เกิด หมาเนี้ก็ติดรูปเสียงกลิ่นรสกันอยากดูอยากฟังอยากดมอยากริมรสกันพอเวลาไม่มีให้เสพก็ทุกข์กันนี่คือปัญหาของพวกเราพวกเราเป็นพวกติดยาเสพติดติดรูปเสียงกลิ่นรสเราต้องมาหยุดวิธีหยุดก็ต้องมาปฏิบัติธรรมมานั่งสมาธิมาเจริญสติเพื่อทำใจให้สงบ พอใจสงบแล้วใจก็จะไม่หิวกับลูกเสียงกลิ่นมนแล้วใช้ปัญญาสอนใจว่าการเสพลูกเสียงกลิ่นมนเหมือนเสพยาเสพติดคนที่ติดยาเสพติดกับคนที่ไม่ติดยาเสพติดใครสบายกว่ากันคนที่ติดเหล้ากับคนที่ไม่ติดเหล้าใครสบายกว่ากันคนที่ติดบุหรี่กับคนที่ไม่ติดบุหรี่ใครสบายกว่ากัน คนที่ติดเที่ยวกับคนที่ไม่ติดเที่ยวใครสบายกว่ากันต้องเปรียบเทียบดูแล้วเราก็จะเห็นโทษของการติดกับติดอะไรต่างๆ่ติดแฟนก็คนที่ติดแฟนกับคนที่ไม่ติดแฟนใครสบายกว่ากันคนที่ติดลูกกับคนที่ไม่ติดลูกใครสบายกว่ากันใช่คนคนที่ติดแม่กับคนที่ไม่ติดแม่ใครสบายกว่ากัน เวลาติดแม่เวลาไม่เห็นหน้าแม่ก็เดือดร้อนขึ้นมางั้นอย่าไปติดอะไรเนี่ยพวกเราพวกเราเกิดมานี่มันมีตัวติดมาตั้งแต่กาเนิดติดรูปเสียงกลิ่นรสติดลาบยศสรรเสริญใช่อยากได้เงินไหมอยากได้ยศไหมอยากได้ให้คนชมไมไม่ชอบให้คนด่าใช่ไหม พอใครดาหน่อยก็ โ, โหเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมานี่แหละคือปัญหาเราไปติดสรรเสริญพอไม่ได้สรรเสริญพอได้นินทากลับมาก็โอ้โหเสียอกเสียใจไปติดยศพอไม่ได้เลื่อนยศเลื่อนขั้นไม่ได้เลื่อนตำแหน่งไม่ได้เลื่อนไม่ได้เงินเดือนเพิ่มก็เสียใจติดเงินเดือนติดเงินอยากจะได้เงินมากๆ พอไม่ได้มากก็เสียใจพอไม่ได้ก็เสียใจพอไม่มีเงินใช้ก็เสียใจถ้าเรามาฝึกนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้เราไม่ต้องใช้เงินก็ได้เชื่อไหมความสุขนี่ของสมาธ่นี่มันทำให้เราไม่อยากได้อะไรเมื่อไม่อยากได้อะไรก็ไม่ต้องใช้เงินไม่แต่ร่างกายนี้มันจะตายก็ไม่เดือดร้อน พอใจไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเป็นเครื่องมือหาความสุขถ้ามีความสุขทางใจแล้วไม่ต้องไม่ต้องใช้ร่างกายหาความสุขต่างๆทุกวันนี้เราเดือดร้อนกันก็เพราะเราติดติดราบติดยศติดสรรเสริญติดรูปเสียงกลิ่นรสกันเหมือนคนติดยาเสพติดเราต้องมาเลิกเลิกติดสิ่งเหล่านี้ให้ถือศีลแปลนี่ให้เลิก สิบแต่ น, นี้ให้เลิกหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ให้มานั่งสมาธิทำใจให้สงบจเจริญสติพอใจสงบแล้วก็เลิกได้เ <Yeah. S 1> พราะเวลาสงบแล้วจะได้ความสุขที่ดีกว่าจากความสุขที่เราได้จากสิ่งต่างๆเราก็ไม่ต้องอาศัยไม่ต้องหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญไม่ต้องหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเด็กต่อไป มีราบยศสรรเสริญหรือไม่มีก็ไม่เดือดร้อนตอนนี้เดือดร้อนเพราะเราไม่มีความสุขตัวใหม่ถ้าเรามีความสุขตัวใหม่แล้วความสุขตัวเก่าเราก็ทิ้งไปได้ความสุขที่ได้จากราบยศสรรเสริญมันจะสู้ความสุขตัวใหม่ไม่ได้ความสุขที่ได้จากความสงบ เหมือนกับถ้าเราได้แฟนใหม่ที่ดีกว่าแฟนเก่าเราก็ทิ้งแฟนเก่าได้แต่ถ้ายังไม่มีแฟนใหม่ก็เอาแฟนเก่าไว้ก่อนดีกว่ายังไงก็ยังดีกว่าไม่มีใช่ไหมอุเ <c> จ <oughs> <c oughs> าถึงสอนให้พวกเรามาสร้างแฟนใหม่ขึ้นมาเรามีแฟนใหม่รอเราอยู่แล้วแต่เราไม่ไปหามันเองคือความสงบนี่แหละเป็นแฟนใหม่เป็นแฟนที่ซื่อสัตย์กับเราจะอยู่กับเราไปตลอดจะไม่เบี้ยวไม่ ไม่ทิ้งเราจะไม่ไปจะไม่หนีเราไปหาแฟนใหม่เขาจะอยู่กับเราไปตลอดเพราะถ้าเรารู้จักวิธีทำใจสงบได้แล้วเราก็สามารถทำน้ำได้ตลอดเวลาต้องการให้ใจสงบเมื่อไหร่ก็สงบได้เดี๋วเรามาหาแฟนใหม่กันดีกว่าเพื่อเราจะได้ทิ้งแฟนเก่าทิ้งราบยศสรรเสริญทิ้งรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไป เพราะว่าแฟนเก่านี้บางทีมันทรยยศเราบางทีมันไม่ ม, มีเวลาไม่มีเงินใช้ขึ้นมานี่ปวดหัวไห ม, มเวลาไม่มีรูปเสียงกลิ่นรถให้ดูให้ฟังนี่เป็นงไงเหงาไหอหรือเวลาร่างกายไม่สามารถที่จะไปหาเงินได้ก็ก็เดือดร้อนนะเวลาาร่างกายไม่สามารถไปเที่ยวได้ก็เดือดร้อนนะเนี่ยเรา เราเพึ่งความสุขแบบไม่แน่นอนความสุขที่ต้องต้องหมดไปสักวันนึงเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายจะตายนี้หาความสุขไม่ได้แล้วงั้นเรามาหาความสุขทางใจกันดีกว่าเพราะว่าเราจะมีความสุขตลอดเวลาแม้แต่เวลาร่างกายแก่เจ็บตายก็ยังหาความสุขนี้ได้อยู่เพราะความสุขแบบนี้ไม่ต้องใช้ร่างกาย ใช้สติใช้พุทโธพุทโธไปใช้การนั่งสมาธิใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปหลงกับความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายเป็นยาเสพติดเลิกเสพด้วยกว่าดูคนที่ก็ไม่เสพยาเสพติดสิเขาสบายกับคนที่เสพไหมเนี่ยพระนี่เป็นเหมือนคนที่ไม่เสพรูปเสียงกลิ่นรสพระก่อนถึงไม่ต้องมีเงินใช้ไม่ต้องไปเที่ยวตามผับตามบาร์ อยู่แต่ในปา่าในเขาสบายไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายเวลาร่างกายจะเป็นอะไรก็ไม่เดือดร้อนอมาอีกกลุ่มหนึ่งละเดี๋ยวจะให้พรก่อนดีกว่านะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเผื่อใครอยากจะไปก็ไปใครอยากจะอยู่ก็อยู่เดี๋ยวมาจากที่ไหนกันโอเคเคยมาหรือเปล่า ไม่เคยค่ะข้างแรกเลยมาไหว้พระที่หนาผาค่ะแล้วก็ตั้งใจจะมากราบพระอาจารย์ค่ะอรู้จักได้ยังไงได้ฟังเพื่อนเล่าให้ฟังเพื่อนใครมาที่นี่ค่ะก็มาปฏิบัติธรรมอะค่ะก็เคยฟังเทปพระอาจารย์ค่ะอมีซีดีนะต้องการก็หยิบได้เนี่ยในกล่องนี้หนังสือก็หยิบได้ถ้าชอบอ่านก่อไปอ่าน ถ้าไม่ชอบอ่านก็ยาวไปก็ั่งอันนี้มีในเว็บไหมคะมีในเว็บมีทุกทุกเล่มอะมีในเว็บที่ดาวน์โหลดได้ดาวน์โหลดได้ใช่มอ่ดาวน์โหลดได้อ่าเนาไม่เป็นไรละถ้าชอบอ่านก็ไปอ่านเราชอบฟังเราชอบเห็นตัวหนังสือกวว่าจะเอาไปวางไว้เฉยๆท่าน่ะถ้าเอาไปอ่านก็เอาไปได้ เหมือนกันไหมไม่เหมือนมีมีสองแผ่นไม่เหมือนกันหนังสือก็ไม่เหมือนกันนะมีหลายเร่องเื่นต่างๆถ้าอยากจะมาสนทนาธรรมได้ได้เชิญเลยเนืงกลังสนทนาทรนธรรมกันอยู่มีอะไรอยากจะถามก็ถามได้ใกลาา้จะจะเสียแล้วก็มีเองที่บายใจเพราะว่าเราจะว่างจากงานไง เราจะรู้สึกว่าเราจะไม่รู้จะทําอะไรเพราะปกติเรามีความสุขกับการทํานู่ทนทํานี่พอเราจะไม่มีอะไรให้ทําเราก็เลยเครียดขึ้นมาเราก็ต้องหางานใหม่ทํางานที่เราสามารถทําได้โดยที่เราไม่ต้องอมีมีอะไรก็คืองานปฏิบัติทำมีตัวเปล่าๆนี่มีเวลาเท่านั้นเอง ยิ่งถ้าเราว่างจากงานเราก็จะมีเวลาปฏิบัติธรรมได้การปฏิบัติธรรมก็เป็นงานอีกแบบหนึ่งที่จะทำให้เกิดความสุขขึ้นมาอีกแบบหนึ่งที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากงานที่เราเคยก็ทำมาอันนี้งานปฏิบัติธรรมจะให้เราได้พบกับความสงบ พ, พบกับความสุขของใจที่ดีกว่าความสุขทั้งหลายทั้งปวงแั้นเราก็ต้องมามาเรียนงานใหม่ ่านนี้ก็ไม่มีอะไรยากเย็นอะไรให้สร้างสติขึ้นมาวิธีสร้างสติก็มีหลายวิธีเช่นการระลึกถึงพุโทโธพุโทโธไปอันนี้ก็จะเป็นวิธีสร้างสติเรามี ส, สติไว้ทำไมมีเพื่อหยุดใจหยุดความคิดต่างๆเพราะใจเรามันชอบคิดคิดไปในทางความอยากมอคิดไปในทางความอยากก็ต้องไปทำถึงจะมีความสุขพอเราไม่ได้คิดเราหยุดเรา ถ้าเราหยุดคิดได้เราก็ไม่ต้องมีความอยากพอเราไม่มีความอยากเราก็ไม่ต้องไปทําอะไรอาจารย์ฉนะนั้นเราต้องมาสร้างสติขึ้นมาเพื่อจะหยุดความคิดสตินี้เป็นเหมือนเบรกที่จะหยุดความคิดนะเบรกเหมือนเบรกลถยนตนะ์ถ้ารถยนต์ไม่มีเบรกมันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆฉนั้นเราก็ต้องหยุดความคิดให้ได้ เพราะความคิดของเรามักจะคิดไปในทางให้เราหาหนู่นหานี่หาความสุขต่างๆจากสิ่งภายนอกแต่ต่อไปเราจะไม่มีความสามารถที่จะหาได้ร่างกายเราก็จะแก่ลงรายได้เราก็จะน้อยลงเราก็จะไม่สามารถหาความสุขจากสิ่งต่างๆได้เราก็ต้องาหาความสุขอีกแบบหนึ่งคือหาความสุขจากความสงบ ใ, ใจเราจะสงบก็ต้องหยุดความคิดให้ได้เราก็เลยต้องฝึกสร้างสติขึ้นมา วิธีสร้างสติก็มีหลายวิธีวิธีที่เราใช้กันทั่วไปก็คือพุโทโธพุโทโธตื่นขึ้นมาพอลืมตาปั๊บ ก, ก็ท่องพุโทโธพุโทโธไปภายในใจไม่ต้องไปอย่าให้มันไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วมันก็จะลืมลืมแล้วเราก็จะอยู่คนเดียวได้เราทํางานในบ้านล้นางหน้าแปรงฟันอาบน้ําก็พุโทโธไปแต่งเนื้อแต่งตัวทํากับข้าวทาอาหารกินอาหารก็พุโทโธพุโทโธไป แล้ใจมันก็จะว่างแล้วพอมีเวลาว่างไม่ต้องทํางานเราก็มานั่งหลับตาพุโทโธพุโทโธไปถ้ามีพุโทโธอยู่ใจไม่คิดเดี๋ยวใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบเวลาสงบเราจะมีความสุขแล้วก็จะอยู่บ้านได้อยู่คนเดียวได้ไม่เหงาอันนี้คือการที่เราควรที่จะมาหัดทำกันฝึกสติพุโทโธพุโทโธ หรอถ้าเราไม่ใช้พูดโธเราก็เฝ้าดูงานที่กําลร่างกายกําลังทําอยู่กําลังทําอะไรก็ให้อยู่กับงานที่กําลังทําอยู่กําลังแปรงฟันก็ให้อยู่กับการแปรงฟันกําลังหวีผมก็อยู่กับการหวีผมกําลังกินก็ให้อยู่กับการกินเดื่มก็ให้อยู่กับการดื่มอย่าให้ใจไปอยู่ที่อื่นให้อยู่ที่เดียวกับที่ร่างกายแล้วใจก็ได้ไม่ไปคิดพอมันคิดแล้วมันจะเกิดความอยากขึ้นมาคิดถึงเพื่อนก็อยากจะไปหาเพื่อน คิถึงสถานที่นู่นที่นี่ก็อยากจะไปขึ้นมาเอาถ้าเราหยุดค้างคิดได้เราก็จะอยู่บ้านอยู่เฉยๆได้ยังมีความสุขที่อยู่ความอยู่บ้านเราไม่มีความสุขเพราะมันอยากกันใช่ไหมอยากไปข้างนอกอยากไปหาเพื่อนอยากจะไปนอกนู่นทนํานี่แล้วทำเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอออกไปกี่ครัง้งกี่หนกลับมาอยู่บ้านก็เหงาเหมือนเดิมเอยันแต่ถ้าเราทําใจให้สงบได้ทําใจให้ไม่ไปคิดถึงเพื่อนคิดถึง สถานที่ต่างๆได้เราก็อยู่บ้านได้เราก็จะมีความสุขมีความสงบอเอาไปเลยว่าไปเลยอแล้วแล้วความความกลัวกับความอยากอะก็ตัวเดียวกันนั่นแหละความกลัวก็คือควา่ากลัวจะไม่อยากกลัวกลัวจะไม่สามารถทําตามความอยากได้มันก็กลัวไม่ใช่เห็นเช่นว่ากลัวว่าอนาคตจะเป็นยังไงนั่นะ <ๆ S 1> แหละใช่ก็เพราะว่าถ้าอนาคตเป็นอะไรขึ้นมาเราก็จะ ท, ทๆๆําทําตามความอยากไม่ได้ อยากจะเที่ยวก็ไม่ได้เที่ยวถ้าเกิดไม่มีเงินเน้นความกลัวก็เกิดจากความอยากต่างๆถ้าเราไม่มีความอยากแล้วเราก็จะไม่มีความกลัวแต่จะกลัวได้ที่นี้นี่หมายถึงว่ากลัวว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยก็เนิ่นแหละก็กลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วยังไม่ทําตามความอยากเไงจะไปเที่ยวก็ไปเที่ยวไม่ได้มันก็ไม่เชยงันนะคะอาจารย์มันเกี่ยวกับว่ามันมันกลัวทุกขเวทนาอย่างนั้ก็นิ่นแหะก็เพราะอยากจะให้มันสุกไงอยากสุกไงเลยกลัวทุก มันความอยากเท่านั้นแหะที่ทําให้เรากลัวเองแต่เราวิเคราะห์ไม่เห็นเองความกลัวก็คือความทุกข์พราะเจ้าบอกความทุกข์ก็เกิดจากความอยากบางครั้งเวลาไม่สบายใจอะไรเงี้ยนะคะได้สวดมนต์หรือว่าได้อ่านหนังสือธรรมะอะไรเงี้ยมันหายรู้สึกดีขึ้นเพราะว่าเราหยุดความอยากได้ชั่วคราวเนี่ยเพราะเราลืมเราลืมเรื่องที่เรากําลังอยากอยู่ ต, ต้องฝึกฝนใช่ไหมต้องฝึกซ่อนต้องหยุดความอยาก เพื่อจะหยุดความอยากก็ต้องเห็นโทษของความอยากว่าอยากแล้วมันทําให้เราไม่สบายใจสู้อยาไปอยากดีกว่านี่วิธีจะหยุดความอยากได้ก็ต้องมีสติมีสมาธิทําทใจให้นิ่งทําใจให้สงบมันก็จะหยุดความอยากได้ถ้าใจไม่นิ่งก็เหมือนรถไม่มีเบรกความอยากก็เหมือนคันเร่งมันจะเหยียบรถมันจะเหยียบใจให้วิ่งไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรามีสติเราก็จะหยุดความอยากได้หหยุดใจได้ พอหยุดใจได้ใจก็จะสงบเย็นสบายไม่เดือดร้อนสิ่งต่างๆอะไรจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็จะไม่เป็นปัญหาอะไรที่เราวิตกกังวลเพราะว่าเราอาศัยสิ่งต่างๆมาเป็นเครื่องมือให้ความสุขกับเราแต่เราใจร่างกายเป็นเครื่องมือให้ความสุขกับเราแต่เรากลัวว่าถ้าไปเราเจ็บไข้ได้ป่วย ท, ทําไม่ได้ทุกอย่างเหมือนกันหมดอะ เพราะว่าเราไม่มีความสุขในตัวเราเราก็เลยต้องไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆเราก็เลยหวงห่วงสิ่งต่างๆที่เราใช้เป็นเครื่องมือให้ความสุขกับเราเพราะว่าเวลาไม่มีเขาเราก็เดือดร้อนใช่ไหมไม่ใช่อย่างหวงลูกหวงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ก, ก็เหมือนกันแหละคุณไปหวงเขาะทำไมละ่ะคุณหวงเพราะาคุณหวงเขาไงถือว่าเป็นลูกของคุณเป็นสมบัติของคุณ ไม่อยากจะให้จากคุณไปทำไมลูกของคนอื่นลูกของคนอื่นคุณไม่ห่วงไม่ห่วงเพราะค<ม>ุณไม่ได้ถือว่าเป็นของคุณพออะไรเป็นของคุณขึ้นมาคุณจะห่วงทันทีกระเป๋าใบนี้ก็ห่วงเนี่ยสามารถให้เพืนยืมได้ให้เลยนะให้ได้เลยหรือเปล่าได้อะเ่อนเพืก็ให้มาแล้วไม่เสียดายด้วยเพราะเขาไม่อยากใช้แล้ะ พาอเขาไม่หวงน้องถ้าหวงก็ยังให้ไม่ได้ได้เลยเขาให้เฉพาะเพื่อนบางคนไม่ใช่ทุกคนอันนี้ก็เป็นความอยากอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันเธอถาไม่ด้องการาให้อยากให้คนนี้ไมต้องหวงก็ได้หวงไม่นี่นี่หมายถึงหวงว่าเขาจะไปมีคุณไงดีนะแบบหวงคู่ครองที่ไม่ดีอะไรนี่ค่ะแล้วเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่อยากเหรอคะอยากอยากก็ได้ดีไงถ้าอย่างนี้ควจะจิตนิ่งใช่ไหเจ้าคะ ก็ควรต้อใช้ปัญญาว่าดูตามความเป็นจริงไงว่าเราห่วงหวงแล้วมันเป็นไปตามที่เราเราเราอยากได้หรือเปล่าเขาจะดีเขาจะชั่วนี่เป็นวิธีของเขาอใช่เราทำได้อย่างมากก็สอนเขาใช่ไหมบอกก็ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีไม่ก็สอนบอกทางเขาแล้วถ้าก็ไม่เป็นทางตามตามทางที่เราบอกเราก็ห้ามเขาไม่ได้เชื่อกาไม่ได้แต่ว่าแปลกใจว่าเวลาที่จิตใจไม่สบายเนี่ย จะเป็นตอนตื่นนอนตอนเช้าอะไม่ทราบเป็นไงแต่พอดําเนินชีวิตมาถึงกลางวันอะไรเนี้ยก็ลืมได้ตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยมันจะช่วงที่ไม่สบายใจมันจะเป็นมากตอนเช้าก็มันจะเป็นช่วงไหนก็ช่างมันเถอะเอื่อเยอะเร่องเยอะก็คือเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะเป็นอย่างนี้ใช่มันมันมีความอยาบมีความมิตตอนมันมีความหยาบมันก็จะทํามีความมิตตกกังวลมีความหงายต่างต่างตามมา แล้วเราต้องพยายามทําใจให้สงบหยุดความอยากแล้วอารมณ์ต่างๆมันก็จะหายไปต้นตอของความปัญหาพระเจ้าบอกอยู่ที่ความอยากของเราความอยากของเราก็มีอยูสามสามสามข้อทั้งนั้นที่เป็นปัญหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็นก็อยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะทําให้เราเกิดไม่สบายใจขึ้นมาแล้วก็ความอยากไม่ให้เป็นไม่อยากให้ไม่อยากให้มันเลวร้ายไม่อยากให้มัน เสียไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายความอยากตรงนี้มันก็จะทําให้เราไม่สบายใจ อ, อที่ว่าความอยากในรูปวัตถสิ่งเสียงนี้คือพวกกิจพ<ม>ิยอธนิย์อยู<ม>่ในกลุ่มนี้ป่ะก็ทั้งหมดนะอยทัง้งหมดมันก็ทางตาคุจะบกุกลิงกายถ้าเรามีตาคุจะบลกลินกายดูเพื่อก็จะได้เสพสิ่งเหล่านี้ร่ำยศสละเสริญสุข ผานทางตาหูจมูกลิ้นกันอย่างคนตามด้าเสร็จให้เป็นหมอนะอย่างคนควาไม่สบายใจทเกี่ยวกับก็อยากอยู่แล้วอยากอยากให้น้องดีกับเรา้ก็ได้ไหนเาอยากจะด่าเราก็ฝก็ด่าเราถ้าเราอยากจะด่าเขาเราก็ด่าเลยนี่ หาต้องทําทําต้องทําใจอดทนอดกลั้นเราดีกับเขาแล้วเดี๋ยวเขาก็ดีกับเราเองก็ไม่แน่ดีกันเไม่จำเป็นเขาจะไม่ดีกับเราแล้วก็ยังไม่ดีกับเราต่อไปนะแล้วต้องทําใจอย่างเดียวเอย่าไปหวังอะไรจากเขาอย่าไปอยากเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะว่าตันหาเรียกว่าอยากจะถามว่าโอเคเป็นอาชีพแค่พทย์เรารักษาคุณไข้เนเราคิดว่าเราเราทํางานของเราไปคือเราก็จะได้บุญจากงานของเราโดยอัตโนมัติใช่ไหนี่เป็นอยากได้บุญ ไม่ใช่ว่าอยากได้คแต่ว่าคนควโบราณก็อยากจะถามท่านว่าจริงหรือเปล่าคือเราเราก็ไม่ได้คิดว่าจะทำบุญอะไรแต่ว่างานอันนี้คืออาชีพอาชีพของเราทําไปเนี่ยเราช่วยรักษาช่วยอะไรเขาอย่างเงี้ยช่วนิตัใอย่างเงี้ยคือถ้าจะได้บุญจริงๆต้องไม่คิดเงินเขารไม่คือรับราชการอยู่แล้วเราไม่ได้คิดเงินเขาเพราะว่าก็นั่นแหละแล้ก็จะมีรายได้เราไม่ถือว่าเป็นบุญเป็นการซื้อขายอยู่เป็นการแลกเปลี่ยน ถ้าจะเป็นบุญก็ตั้งไม่ไม่มีการไม่มีการได้รับไม่ไม่มีการผลตอบแทนจากการให้ของเราเท่นเทนมาทําบุญตรงนี้ยอมไม่ได้มาขออะไรคืนไปใช่ไหมไม่ได้มาแลกเปลี่ยนกันให้โดยความบริสุทธิ์ใจอย่างนี้นถึงจะเรียกว่าเป็นบุญแต่ถ้าเรากินเงินเดือนอะไรเงี้ยก็ยังก็ยังได้หมอไปเปิดคลินิกวันอาทิตย์เดี๋ยวก็คิดไม่คิดเงินคนไข่อย่างนี้ถึงจะได้อ่าถึงจะได้บุญต้องเสียสละ เราต้องเสียสละประโยชน์สุขของเราให้แก่ผู้อื่นถึงจะเป็นบุญอะหลังจะเสียนเปิดหลังระเสียน็คิดๆอยากจะทำต่อที่เดิมก็ไมันก็ได้เงินก็สละเงินไปสิ เอาเงินที่ได้มาไปทําบุญก็ได้แล้วถ้าเงินนี้ไปทําบุญก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ถือว่าเสียสละฉะนนที่ได้ก็เอาไปเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษาแพทย์เลยได้ที่ไหนก็ได้ทำกับใครก็ได้ทำกับใครก็ได้ที่ดีเป็นความสุขเลยแหละจะได้อยากที่มีจะได้ไม่ลืมจะได้ชีด้วยแล้วเราจะมีความรู้สึกสุขใจขึ้นมาจะได้มีความสุขใจสุขเกิดเุญที่การเสียสละสึกสุญจากการเสียสละของเราให้แก่พู้อื่นได้ได้และอือเข้าใจแล้ว แล้วก็คือการที่เราจะได้บุญก็ไม่ได้หมายความว่าวันวันพระหรือวันวิสาขะอะไรเรไปเวียนเทียนอะไรเไม่จำเป็นก็มันมีหลายวิธีการการทำบุญมีหลากหลายวิธีด้วยกันอางบุญบางอย่างก็ต้องไปวัดเช่นอย่างเราอยากจะไปเวียนเทียนนี่การเวียนเทียนนี่เรียกว่าเป็นการไปบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นวิธวิถีสร้างบุญสร้างความสุขใจขึ้นมาอย่าง ก็ได้บุญเพราะเราเดินเวียนเทียนถ้าเราเดินด้วยสติเราก็จะมีความสงบใจเราก็จะสงบเย็นสบายมีความสุขลืมเรื่องราวต่างๆไปอย่างที่เมื่อตีิหมอบอกว่าเวลาไม่สบายใจเปิดหนังสือธรรมะอ่านแล้วก็สบายใจเพราะมันทําให้เราลืมเรื่องที่กําลังทําให้เราไม่สบายใจเวลาเราไม่สบายใจเราไปวัดไปเวียนเทียนมันก็ลืมเรื่องราวต่างๆมากมันก็ทําให้เราสบายใจขึ้นมาไดความสบายใจนี่เรียกว่าบุญ วิธีสร้างความสบายใจมันมีหลากหลายวิธีใส่บาตแล้วก็มีความสุขให้เงินขอทานปล่อยนกปล่อยปลามันก็มีความสุขให้อภัยเพื่อนฝูงที่เขาพูดอะไรไม่ดีกับเราก็ได้ความสุข ม, มันมีหลากหลายวิธีใช่ไห า, างั้นบุญก็เกิดในปัจจุบันเลยใช่บุญทุกอย่างมันเกิดในปัจจุบันดีกรร น, นั้นเ ค, ร, เครือเคื่อระยัางกระ บ, บุญ<ม>ใช่ั้มคะมันสะสมไปด้วยไงบุญที่เราทำในความดีต่างๆมันยังมีอยู่ใน ใ, นใจเราต่อไปอ ม, มันจะมีที่พลต่อการไปเกิดของเราในภพหน้าชาติหน้า อ๋อการที่เราเสฉลสละใช่ไหอบุญต่างๆที่เราทานี่มันสะสมไว้ในใจบาปต่างๆที่เราทํามันสะสมแต่ว่าเรามันก็เกิดตอนช่วงนั้นที่เรารู้สึกปลื้มปิติอะไรช่วงนั้นก็มีส่วนหนึ่งแล้วก็มันจะมีอีกส่วนตอนที่สะสมตอนที่เวลาเราตายไปมันจะเป็นตัวที่จะเป็นกําหนดว่าเราจะไปดีหรือไปไม่ดีบุญนี่เป็นเหมือนกับอหมือนเป็นเหมือนกับวัวควายที่ลากเกวียนใจเราเป็นเหมือนเกวียน แล้วบุญที่เราทํากับบาปที่เราทำนี้เป็นเหมือนวัวเป็นควายเวลาใจเราร่างกายนี้ตายไปไอ้บุญกับบาปที่เราทำนี้มันจะลากใจเราไปสองทางไปทางบุญกับไปทางบาปทางไหนจะ ม, มีแรงมากกว่าก็จะ<ช>ไปทางนั้นถ้าบาปมีแรงมากกว่าก็จะพาเราไปอาบายถ้าบุญมีมากกว่าก็จะพาเราไปสวรรค์ อ, อันนี้ยังมีอิทธิพลต่อต่อใจของเราต่อไป เรนทาบุญทํอะไรมันมีปัจจุบัมันได้มันไม่ได้ประโยชน์ทันทีในปัจจุบันคือความสบายใจ yeah, yeah. ม่เหมเราเอาเงินไปเข้าธนาคารเอ า, เอาเงินเข้าธนาคารแล้วก็มีความสุขใจแล้เเงินที่เราเข้าใ น, ในธนาคารก็ยังอยู่ในธนาคารอยู่นต่อไปเวลาเราต้องการใช้เงินนะั้นเราก็ยาเบิดเบิไปใช้ได้เหมือนกับหนี้พอเราไปกู้หนี้ขึ้นมาเราก็ไม่สบายใจเราพอถึงเวลาจะต้องคืนหนี้ก็ยิ่งไม่สบายใจ บาปก็เป็นเหมือนนี่บุญก็เป็นเหมือนเงินที่เราฝากในธนาคารพระเจ้าถึงสอนให้ทําบุญให้ละบาปเพือ่อเวลาเราตายไปเราจะได้ไปงไปไปไ ป, ไปสวรรค์การทําบุญนี้นะคะถ้าทํากับพระศาสนานะคะกับทํากับโรงพยาบาลทําอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่เกี่ยวศาสนาเนี่ยผลบุญมันจะต่างกันใช่ไหมคะผลบุญมันมีสองส่วนไงส่วนหนึ่งที่ได้จากความรู้สึกนี้เหมือนกัน ทำบุญกับศาสนาทำบุญกับคนข้าทานเรามีความสุขใจเหมือนกันใช่ไหมแต่ประโยชน์จะเยอะแต่จะประโยชน์อันนี้อันหนึ่งคือความรู้ที่เราจะได้จากคนที่เราไปทําบุญด้วยนี่จะไม่ได้ไม่เท่ากันถ้าเราไปทําบุญกับวัดกับพระเราก็ได้ยินได้ฟังทำได้ความรู้ที่มีประโยชน์ถ้าเราไปทําบุญกับขอทางเขาก็เพียงแต่ขอบอกขอบใจเราก็จะไม่ได้ประโยชน์ส่วนนั้นแต่อันนี้ส่งไม่เท่ากัน แย่าน้นเขาถึงบอกว่าถ้าอยากจะทําบุญแล้วได้ประโยชน์มากก็ต้องเลือกทําบุญกับพระพุทธเจ้าอลองลงมาก็พระอราหันต์ลองลงมาก็พระอริยะเจ้าขั้นลําดับต่ําลงมาตามลําดับเพราะท่านเหล่านี้จะมีความรู้ไม่เท่ากันเนีหมือนนักศึกษาปริญญาตรีโทเอกเนี่ยถ้าเราไปทํางานทําบุญกับอาจารย์ที่จบปริญญาเอกเราก็อาจจะได้ความรู้ระดับปริญญาเอกจากอาจารย์ถ้าเราไปทํากับปริญญาโทเราก็จะได้แค่ระดับปริญญาโท ไปทํากับหมอก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องหมอเรื่องรักษาโาครคภัยแค่เจ็บมาดังนั้นบุคคลที่เราไปทําบุญด้วยเราก็จะได้รับผลตอบแทนจากที่เขามีความรู้ที่ก็จะแบ่งให้กับเราได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะได้แถมพูดเหมือนกับว่าเวลาเราไปเติมน้ำมันปั๊มต่างๆก็จะมีของของแจกของแถมให้เหมือนกัน <laughs> เราอยากจะได้ผ้าเช็ดตัวหรืออยากจะได้น้ําแล้วก็เป็นเลือกปั๊มที่เราแต่สิ่งที่เราต้องการจริงๆก็คือน้ํามัน น้ำมันก็คือความสุขใจงั้นถ้าเราสุขใจกับทําที่ไหนเราทําได้ทุกแห่งทุกคนแต่ถ้าเราต้องการของแถมเราก็ต้องปเป็นเรื่องว่าเราต้องการของแถมแบบไหนถ้าเราต้องการธรรมะเราก็ต้องไปหาพระที่มีธรรมะแต่ถ้าเราต้องการวิชาความรู้แล้วก็ไปทำกับอาจารย์แล้วอย่างการตักบาสนี่ล่ะฮะเราจะรู้ว่าไงว่ารูปไหนเราก็เขาไม่รู้ไงก็ต้องคุยกับท่านก่อนต้องคุยกั น, ก น, กน แล้วอย่างไัได้มีกิติศัพท์จากคู่แล้วแล้วถ้ารู้จักกับท่านแล้วเอาตักบาตกับท่านประจํอยางนี้เราจะถือว่าเป็นการไม่เลือกไม่กลายเป็นเลือกไหมคะกลายเป็นอ่าก็คุณจะเลือกไม่เลือกก็อยู่ที่คุณจะเลือกก็เลือกเถเลือกเลือกตั้งใจเลือกคือเลือกก็ไม่เสียหายตรงไหนตั้งใจเลือกเลือกก็ได้ไม่เลือกก็ได้แล้วแต่คุณไงบางคนเขาก็ไม่เลือกคือบางคนถ้าเขาจะเอาเพียงแต่ใส่บาตรเขาจะใส่กับใครก็เหมือนกัน แต่ถ้าเขาต้องการฟังธรรมเขาก็ต้องไปเลือกใส่บาตรกับพระที่เขาจะแสดงธรรมให้ฟังนั้นอยู่ที่คนคนทำบุญบางคนก็ก็ไม่เลือกพระเขาขอให้ได้ใส่บาตรใส่เขาก็สบายใจนะเขาเขาต้องการแค่นั้นเขาต้องการน้ำมันลดแต่เขาไม่ต้องการของแถมนะถ้าเราต้องการของแถมเราก็ต้องไปเลือกปั้มไหนที่แจกของที่เราอยากได้ ถ้าทําบุญกับให้ทุนการศึกษาเด็กนักศึกษาแพทย์หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ความสบายใจเราไม่ได้อยากเด็กดกเ็พราะเด็กเขาไม่สอนเราเขาไม่มีความรู้จะใหจแต่เด็กเขาก็อนาคตเขาก็จะได้อะไรที่ดีขึ้นก็ไม่แน่ต่อไปเขาาจะกลับมารักษาเราก็ได้อ๋ออะไรประมาณเวลาเราแก่เจ็บแล้วอยากจะคนเจ็บไข้ได้ป่วยคนนี้ชอบทำโรงพยาบาลเลยก็ได้ก็อย่างได้ความสดุบใจสบายใจที่เราได้ช่วยเหลือเขา คมืมีามรู้าช่วยให้เขาคนถูกแ<ช>บบพวกลรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วต่อไปถ้าเราเจ็บไขยได้ป่วยจะมีคนไหนมาช่วยเราก็ได้หร<อ>ือเขาอาจจะหายแล้วเราเป็นเขาเ อ, อาจจะมาช่วยเราก็ได้าไหายสงสัยแล้วอย่างการทาสังกะพานเนี่ยที่สร้างมาก็คือไม่ให้เลือกพระใช่ ไ, มไม่มแต่ว่าหลวเนี่ย จะชบทำกับคิดขอเลือกหน่อยอย่างเงี้ยคือการทำทถวายของให้กับพระนี่ผู้เจ้าให้ทำได้สองลักษณะเจาะจงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งกับการไม่เจาะจงคือการไม่เจาะจงก็คือให้ถวายเป็นส่วนรวมของของสงธรรมสงนี่แปลว่าของวัดไม่ใช่ของภาพพิกษูรูปใดรูปหนึ่งใช่เวลาสร้างกุฏิสร้างศาลานี่เราไม่ได้ถวายให้เจ้าว่า เราถวายให้วัดให้ให้กับสงฆ์เจ้าว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะมาใช้คนเดียวพระรูปอื่นใช้ได้ด้วยอันนี้เรียก็สงฆ์แต่บางครั้งบางคราวเราก็อยากจะถวายเฉพาะตนก็ได้เช่นเราชอบพระองค์นี้เราก็เอาผ้าจีวรหรือของอะไรที่เราอยากจะถวายให้กับท่านถวายอันนี้ก็เป็นการถวายเจาะจงเป็นบุคคล แต่พะพุทธเาบอกว่าการถวายให้กับสงฆ์มันมีประโยชน์มากกว่าถวายให้บุคคลเพราะว่าสงฆ์นี่จะเป็นส่วนร ว, ว, วมจะอยู่ได้แต่คนนี่อาจจะตายอพระองค์นี้หลังจากที่ท่านแก่ตายไปถ้าไปถวายท่านองเน์เดียวไม่ไปถวายส่วนรวมเดี๋ยวไม่มีพระเหลืออยู่ในวัดใช่ไหม แอย่างนั้นก็ส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นกระถิ่นกระเพาะป่านลยครเป็นแนวนี้ก็ใช่อย่างส่วนแต่ก็ส่วนส่วนตัวก็มีแล้วก็ไปหาส่วนตัวก็จะกลายเป็นสังฆทานไปใช่ไหมก็ไม่สังฆบุคคลและกฐทานสังฆทานก็เป็นส่วนรวมผ้าผ้าป่ากระถินอะไรพวกนี้เรียกว่าส่วนรวมถวายสงหรือสังฆทานก็ได้ก็เป็นสงเหมือนกันคือให้เป็นของสมบัติของส่วนกลางไป แต่ถ้าจะถวายส่วนตัวก็ได้เจาะจงก็ได้แล้วแต่สองลักษณะถ้าเกิดลูกชายบวชเนี่ยแม่จะได้บุญเยอะอยากอยากคอมอยากคือได้บุญในเชียงที่ว่าจะเป็นโอกาสที่เราจะต้องเข้าวัดเพราะถ้าลูกไม่เข้าวัดเราก็ไม่เข้าวัดเพราะลูกบวชเราก็ห่วงแล้วที่จะเข้าบ่อย เนี่ยตอนนี้มีลูกมีคนหนึ่งลูกชายมาบวชไม่เคยมไม่เคยวัดเลยมาทุกวันเลยนะ <c oughs> แต่ก่อนลูกตอนที่ลูกไม่ได้บวชไม่เคยมาเลย <c oughs> ตอนนี้มาทุกวันเลยพอมาทุกวันก็จะได้มาสัมผัสกับบรรยากาศของวัด <c oughs> มาได้ทำบุญมาได้ฟังเทศฟังธรรม แล้วบางคนนี่หลังจากรุ่สศึกไปแล้วกลับมาต่อนะมาอย่างตอนนี้ลูกไม่มาแต่แต่ลูกแม่มาเขาเรียกว่าจูงบุปการีเข้าหาใช่เรียกเกาะชายผ้าเหลืองเพราะว่าผ้าเหลืองนี่จะพาให้เราไปสวรรค์เพราะการทําบุญรักษาศีลทําทานนี่เป็นเหตุที่จะทําให้เราไปสวรรค์ต่อไปแล่วทั้งบอกเป็นนิยมจะให้ลูกตอบแทนคุณพ่อแม่ให้บวชเนี่ยเพราะงั้นพ่อแม่จะไม่มีเวลาเข้าวัดกัน พอมาเจอวัวมุ่นกับการทำหมากินนี่ก็พูดแต่คนนี้ก็เป็นหมอเหมือนกันเนี่ยเป็นลูกหมอเขาบวชที่นี่ลูกบวชที่นี่ลูกเป็นหมอลูกหมอมาบวชตอนนี้แม่มาทุกวันเลยมาใส่บาตรทุกวันถ้าบวชที่นี่ต้องทำไงวะคะแต่เขาต้องเป็นคนในพื้นที่ใช่ไหมไม่จำเป็นบวชที่ไหนก็ได้มาจากที่ไหนก็ได้ถ้าที่ว่างก็บวชได้ถ้าที่เต็มก็ถ้ากุฏิว่างครับถ้ากุฏิว่างที่นี่เขาก็จะมีวันบวชหมู่กัน จัดเป็นเป็นช่วง่ๆ ช, ช่วงนี้จะมีอีกสองสองวันคือเดือนหน้าวันที่ยี่สิบหกกับเดือนกรกฎาคมใครต้องการบวชก็มาติดต่อกับทางวัดก็จะมีเจ้าหน้าที่พระรับเรื่องให้บวชบวชเจ็ดวันสิบห้าวันหรกี่วันก็ตามตามศรัทธาไม่ได้บังคับอีกกข้อหนึ่งที่ว่าบวชเน้อยวันอย่างสิบ้าวันไม่กระ บ, บวดพันสายเงี้ยพ่อแม่จะได้บุญเท่ากันไหมหรือว่าไม่ไเกี่ยว ก็เกี่ยวไงถ้าบวชนานพ่อแมาเขาวัดนานหน่อยอยากได้บวชยิ่งยิ่งได้เข้าใกล้ศาสนานานเท่าไหรมันก็จะได้ความรู้มากขึ้นไปเรื่อยๆสะสมบุญมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าบวชไม่เสร็จได้เลยยิ่งดีอสมัยก่อนเขาบวชไม่เสร็จกันทั้งนั้นแหละรามเนียนที่แท้จริงเขาบวชกันไม่เสร็จเราเสร็จกรพาะไปทําผิดศีลมากกว่าถูกถูกจับศึก แต่ธรรมเนียมสมัยก่อนเขาเขาบวชแบบถาวรกันบวชบวชเพื่อหลุดพ้นฮะบวชเพื่อหลุดพ้นบวชเพื่อเป็นพระอรหันต์กันเพราะเขาเห็นพระพุทธเจ้าหลุดพ้นเขาก็อยากจะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้ากันแต่สมัยนี้เราไม่มีตัวอย่างไม่มีพระพุทธเจ้าก็เลยไม่มีใครอยากจะบวชบวชแค่ทดแทนบุญคุณสิบห้าวันเจ็ดวันเมื่อก่อนนี้ก็ถือว่าเหนึ่งพรรษาธรรมเนียมเดิมก็คือบวชหนึ่งพรรษา ่ยุคปัจจุบันนี้ยุคจรวดมันบางทีก่อนสมัยนี้บวชเช้าสึกเย็นก็มีมีควาสุขนะมีความสลูกชายบวชกี่วัน15บวันสามเขาขอบวชเองแม่ไม่ได้คล้องขอดีลูกเขาก็เป็นหมอมือนกันพอเขาพอเข้าใจแล้วใช่ไหม แล้วไม่มีอะไรเลยใไหมจชเจอนนี้หนังสีอเล่เหมือนก็หยิบได้นะถ้าชอบอ่านจะเอาไปเผยแพร่ต่อจ้กาอ่านเสร็จแล้วการเผยแพร่เราก็ได้บุญใช่ไหมฮะได้การอ่นมันจะมีสมาธิเวลาอ่านได้่านเลยกอ่านไม่สมาธิมากกว่าฟัง ฟังบางทีมันแวบนะใช่มันลอยแล้วไหมะมันต้องใช้สมาี่มากเราต้องใช้สมาธิมากนี่ต้องการเพื่อจะไม่ตูนใจให้นิ่งไม่ให้ม่ให้แบบวอกแวกเลยใช่ถือว่าก็เป็นเป็นการฝึกสติเนาไม่เอาไม่ ่อานเพราะว่าเจอกับสิ่งที่กระทบอย่างนี้แรงแรงเลยนะมามาแล้วก็เลยมีความรสึกว่ามันมากจริงจริงที่วิ่งให่แต่ไม่ได้ไปเข้าวัดคุณเปหมอเพราะว่าคนจะแสบเยอวคนจะแสบเลยนะผ่านแสบเนมรผ่านกลางให้โหลดมาอ่านทําไมเราได้อย่างนี้ได้คือแบบอ่านแล้วเข้าใจค่ะเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามจนจิตนิ่งนิ่งแล้วก็ไม่รู้สึกเคยกลัวผีมากเคยกลัวเคยก็ เโอยหาจัดความสูญเสียยง่อ่านแค่อ่านยังไม่ได้เข้าวัดนะคะท่านไม่กลัวแล้วก็ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรอวอร์หรือว่ากังวลไม่ไม่กังวลกับอนาคตไม่โหยหยหาอดีตเนี่ยไม่ทำะแค่ตรงนี้แล้วก็มีสติอยู่กับปัจจุบันไม่ได้เลื่นไปกับ ความอยากหรือว่าความมีความเป็นให้มันไปเป็นธรรมชาติอยังรู้ว่าถ้าได้เข้าวัดคงจะยิ่งดีกว่านี้ไม่ได้เข้าวัดนะคะแต่เป็นการปฏิบัติแล้วของแฟร์นี่อันนี้เนื่องจากเปรอ่านแล้วเข้าถึงวันแล้ววัดตัววัดก็ควรทำมากเพราะว่าลูกขอบทหรือว่าอะไรไม่รู้สึกว่าจะเกาะใชเขื่อนเขาขึ้นสวรรค์เลยแบบเขาอยากบุตรด้วยดีด้วยตัวเขาเองเราไม่ได้ว่าจะกาะเพราขึ้นสวรรค์สวรรค์อยู่ที่ใจเล้ใช่ไหมคะไม่ได้อยู่ที่ใคร ่ใจจสุกก็ใจถึงสวรรค์นะก็ไม่เคยมีเวลาเข้าวัดก็อ่านหนังสือธรรมะก็ได้ได้นั่นแหละวัดก็คืออยู่ในหนังสือนั่นแหละก็จะที่เข้าวัดก็เพื่อไปหาธรรมะกันถ้าเราธรรมะนอยู่ที่บ้านแล้วเราก็ไม่ต้องไปวัดก็ได้บางทีไปววัดไม่เจอไม่เจอธรรมะจะได้ซ้ปใช่เจ้ไปเจอสิ่งที่ร้จักเมื่วัดแล้วไม่ไม่ได้รู้ไปวตารู้จักพระอาจารย์นะไม่จาเป็นไม่จาเป็น แต่ที่ไปหาเจ้าว่าพระท่านเป็นผู้ที่มีความรู้มากผู้หนึ่ท่านเป็นผู้ ท, ที่าสามารถสอนเด้าาไ ด, ได้แต่บางทีท่านก็ไม่ว่างพอที่จะรับแขกทุกคนได้วก็ต้องอาศัยหนังสือธรรมะที่แจก ตัวโตดีถึงเลยค่ะตอนที่คนวัยสุขอายุเราเรามีประสบการณ์คนบ่นมาเยอะแล้วยังอ่านหนังสือทํำมาว่าตัวมันเล็กไปคเราก็เลยสั่งให้เขาทําตัวโตโตเลยคนหนุ่มสาวเขาอาจจะไม่ค่อยมีโอกาสส่วนใหญ่จะเป็นถึงวัยแล้วที่จะอ่านี้ยใหญ่เพราะว่าวัยอย่างเี้ยเจอกับสิ่งต่างๆที่ประสบการณ์ไม่เยอะไม่ต้องไม่แอ่รักเต่อนจนได้เตืนจะได้ กลับลานเลับลาไหมคเล่นเล่นเฟซบุ๊กวป่ะเล่นเล่นนี่กาลังถ่ายทอดสดอยู่เียวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเปิดดูก็ได้กาลังเหพระอาจารย์สุชาติอ่พิชาโตเลยครับพนดูงว่าพระอาจารย์สุชาติแล้วเขาไม่ไหก็พิชาโมีแต่ทอดสดกาลังถ่ายทอดสทุกอย่างในนั้นรวมหมดเลย เ้าจะมีลิงก์ไปที่พระสุชาติ com ก็มีที่อย่างจะรวมอยู่ในนั้นเดี๋ยวไปดูก็ได้เดี๋ยวก็เก็บไว้เป็นคลิปอยู่ท่านจะมีเทศนาในทุกวันสองโมงนวันเสาร์ะจะเทศนาวันเสาร์อาทิตย์วันธรรมดาก็จะคุยกัน เดี๋ยวจะได้เท่เป็นลูกนะตอนกี่โมงกลาองจุดบ่ยสองโมงนแต่เี่เป็นคำพูดเท่ไปไม่ใช่เป็นคำร่าใช่ไหมถอย่างนี้พูดคุยพูดคุยอางเป็นภาษาพูดให้ฟังพูดใหฟังที่ไหนอาจอาจในแผนซีอันนี้เดี๋ยวจะไปฟังไปฟังฟังแล้วก็ดีเอะเอิญชวนกันมาแล้วเดี๋ยวบอกว่าเอ๊ะงั้นมาอาจารย์ดีกว่าทุกคนบกเอ้ยว่ามาาไม่เคยมาโอมาแล้วไม่ร้อนเลยค่ะท่านสงบร่มรื่นดีป่าเามันจะเย็นมีต้นต้นไม้มีอะไร ้วถนนถนนทางดีจังเลยมาแล้วแบบเออแล้วดูแล้วมาอีกมาอีก่ชเพื่อนเพื่อนมาอีกก่เงี้เดี๋ยวกลับันแไปทาัไนกลับง่ยงและมีข่าวจากทางแพร่บ้างปะแพร่ไม่นานไปเยี่ยมละต้งไปเยี่ยมมาแล้วแพร่ใช่ไหมลินแพร่สบายดี ทำใจได้แล้ว<ะ><笑><笑>ดูเหมือนดูภายนอกเหมือนลำบากนะแต่ว่าคุณสบายใจขึ้นแล้วก็ดูเย็นขึน้นใหม่ๆมันจะพยศอ่ะมันเคยมีสละพอจับมาขังมันในกรงมันจะดิ้นกิเลสพอเราใช้สติหยุดมันได้แล้วมันก็จะเย็นจะสบายแล่วบอกพยายามสู้ต่อไปอย่ า, อ ย, าอย่าให้มันหลอกให้เราไปนู่นมานี่นะถ้าไปนู่นมานี่เดี๋ยวไม่มีเหตุไม่มีผลนี่มันหลอกเรา ก็ดีที่ตอนนั้นที่พระอาจารย์บอกว่าไม่ให้กลับมาถ้ากลับมาสงสัยว่าจะเจมาวเหมือนกันนะลช่ไหถาะเอามันให้อยู่หมดเลยให้มันยอมให้มันยอมอยู่กับที่ก่อนพอมันยอมอยู่กับที่ไม่อยากจะไปไหนแล้วที่จะไปก็ใช้เหตุผลพาไปเช่นใครเจ็บใครได้ป่วยอยากจะไปเยี่ยมเยินเขาอะไรก็ไปได้แต่ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปก่เลมันจะหาช่องออกอยู่เรื่อยหรอ หาเหตุผลอยู่เ hm. รื่อยๆหาเหตุออกอยู่เรื่อยๆเหตุอยู่ไม่ค่อยมีมีแต่ใจเหตุออกทั้งนั้นเย้ไหมที่นี้ลูกๆจะไปแข่งคันกันใช่ไมใช่ะหนูก็หนูไปด้วยเหรอมีแต่เหตุออกกันมันขับใจยากมากนะถึงต้องบังถึงต้องบังคับมันต้องบังคับมันต้องฝืนมัน ถ้ไม่ฝืนมันมันก็หลอกเอาไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ไปนู่นเดี๋ยวก็มานี่เวลาที่จิตมันพูดโทเองเนี่ยเราก็ดูมันใจใช่ไหมถ้ามันพูดโทได้ก็ดีมันจะพูดโทไปตามมันอาจจะเป็นติดนิสัยแล้วมันจะพูดโทก็ให้ปล่อยมันพูดโทไปแล้วพอมันหยุดเราก็เราก็บริกรรมของเราต่อก็ดูว่าใจเรานิ่งก็เปล่าถ้านิ่งไม่คิดอะไรมันก็ไม่ต้องบริกรรมก็ได้ มันใช้ไปเหมือนเบรกอ่ะถ้ารถมันจอดแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องเหยียบเบรกปล่อยเบรกได้แต่พอมันจะเริ่มไหลแล้วก็เบรกมันใหม่แล้วแล้วอย่างกรณีถ้าเราพุโทโธพุธโธลิตพุโธเองแล้วกรณีบริกรรมอาการส ,2% เนี่ยได้เหมือนการทดแทนกันได้เหมือนกันมันก็จะเหมือนกับการหัดท่องสูตรคูนเนี่ยพอท่องไปบ่อยๆแล้วมันจะชำนาญ แล้วต่อไปเราอยากจะนึกถึงการ32มันก็ออกมาเลยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเห็นใครเดี๋ยวนี้ไม่ได้เห็นเฉพาะหน้าตาล้วเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเห็นอวัยวะ32เลยอาจารย์คะตอนที่เราท่องบริกรรมไปแล้วก็ฝึกในการที่ว่า จิตไปจับที่แต่ละอาการก็ได้อยากจะดูแต่ละอาการเพื่อให้มันเห็นชัดเจนขึ้นก็ได้ทีนี้มันก็จะเคลื่อนไปตามตำแหน่งของอาการได้ได้ได้แล้วกรณีที่มันมีที่ตั้งหลายที่ค่ะก็มันก็อยู่ในร่างกายนี้ไม่ใช่เลยมปลอดอยู่ตรงที่หนึ่งหัวใจอยู่ตรงที่หนึ่งก็ดูไปทั้งหนึ่งคืออย่างอย่างอย่างอย่างขนมันก็มีหลายประเภทของขอก็พิจารณาไปได้ ขนจั ก, กระแกขนคิว้วขนแขนขนขาขนอะไรก็มันก็เป็นขนจะอยู่ศีสันก็เรียกว่าผมอะไรเงี้ยแล้วทีนี้นอกจากการจับอาการแล้วก็คือนึกถึงภาพก็ได้ในถึ ง, ถงภาพนี่ก็คือโฟอกัสอยู่ที่จุดเดียวแต่เปลีภาพไปตามอาการก็ได้หรือจะดูทั้งให้มันดูมันเหมือ น, นกับว่าเราแวก อ, อกมาดูทั้งหมดทีเดียวก็ได้ ที่เวลาเราเปิดหนังสืออนาตอมี่ดูเนี่ยมันจะเห็นทั้งหมดเลยเห็นปอดเห็นหัวใจเห็นตับเห็นลำไส้อะไรจะเห็นแบบทั้งภาพทั้งภาพรวมก็ได้ภาพเดี่ยวก็ได้แล้วแต่จะเห็นให้มันจิตมันอยู่เกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้แล้วมันจะไม่ฟุ้งซ่านมันจะสงบ จารย์แ้วเวลาที่เออมันเวทนามันเกิดขึ้นแรงๆแล้วเราถอยตัวออกมามองมันเนี่ยนะคะถ้ากําลังเราสติเราไม่ไม่พอเนี่ยเราจะดูไม่ได้นานก็อย่าไปดูมันให้อยู่กับพุทโธไปเห็นเดี๋ยวอยู่กับอาการสามสิบสองไปเพื่อไม่ให้ไปทิศถึงความอยากให้มันหายเจ็บแล้วมันก็จะอยู่กับความเจ็บได้ทําเมื่ไหร่ที่เราสามารถดูได้ก็ดูกันไปเราพิจารณาว่ามันก็แค่นั้นแหะไม่น่ากลัวเราไปกลัวมันเอง เาอยู่กับมันได้แต่เราไม่ชอบมั น, มนก็เลยอยากเหมือนเราไม่ชอบขี้หน้าคนใช่ไหมเห็นคนที่ไม่ชอบขี้หน้าก็ไม่อยากจําเออแต่เขายังดูจริงๆก็ไม่เห็นมีอะไรครั้งแรกครับท่านมาจากที่ไหนมาจากกรุงเทพค ร, รมมับท่านมีเธอ่าไรหรือเปล่าอ๋อระว่างทางธรรมะครับท่านมาก็หมดเวลาพอดีเพราะ ตังมาถ้าจะฟังก็เริ่มตั้งแต่สองโมงออ น, นี่ก็เพิ่งกลับกันไปเพิ่งคุยกันไปก็มีหนังสือซีดีไปอ่านไปฟังได้นะหรือว่าจะถามอะไรก็ถามได้เราวันธรรมดาก็จะไม่ได้เทศเป็นหลักเป็นเกณฑ์อะไรสนทนากันถามตอบปัญหากันไปคนใครปฏิบัติแล้วมีปัญหาอะไรหรือมีอะไรอยากจะถามก็ถามได้ ตอนนี้ถ้าอยอยากจะรู้อะไรที่ยังไม่รู้อยากจะรู้ก็ถามได้ถ้าไม่ก็งั้นก็เอาหนังสือซีดีไปอ่านไปฟังที่บ้านแากหยิบได้ตามสบายเลยใช้ทุกเล่มไหมนะครับทุกเล่มทุกแผ่นถ้าไม่มีนะเดี๋ยวจะใช้ภาคภาษาอังกฤษนะเพราะมีมีชาวต่างประเทศเขาเขียนคำถามมาทางเฟ e b o o k จะนั่งฟังได้แต่เดี๋ยจะเป็นพูดทางภาษาอังกฤษละสำหรับผู้รับชมทางบ้านเดี๋ยวจะตัดสัญญาณนะครับเพื่อถ่ายู่ภาพภาษาอังกฤษนะครับเพื่อเป็นคลิปภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับงั้นขออนุญาตตัดนะตอนนี้นะครับโอเคตอนนี้ก็ภาษาอังกฤษจะเรียบร้อยพี่ชายยากจะถามอะไรไหมเดีย๋ยวตัดไปก่อนก็ได้อาจะได้จะได้เป็นภาษาอังกฤษด้วล้วนขออนุญาตามท่า คือครอบครวผมเป็นครอบรชาพุทธนะครับท่าน <Okay. S 2> แล้วก็สร้างทําทบุญเป็นประจำนะครับกดมรดกพระธัรมแต่ไม่ค่อยได้นั่งสมาธิ <Okay. S 2> แล้วก็ผมมีลูกชายอยู่คนหนึ่งแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเขาสัก3ามปีที่ผ่านมาก็าเริ่มเปลี่ยนแปลงคืเาเป็นคนที่เก่งมากสามารถสอบเข้าคณะแพทย์ได้สุดท้ายเนี่ยเขาเริ่มไม่เชื่อเรื่องพุทธศาสนา mm. ไม่เชื่อศาสนาอื่น ๆ, ๆ, ๆด้วย mm. ทั้งคริสต์ทั้ง แะไรก็แล้แต่เขาเชื่อว่าเป็นแค่กุศโลบายที่ทําให้ควรสามารถอยู่ร่วมกันได้คือผมก็เป็นห่วงเขาครับเพราะว่าโอกาสที่จะเกิดเป็นคนไทยในศาสนาพุทธมันยากผมก็เลยกลับกราบเปลียนถามท่านว่าผมควรจะทํำยังไงครับคือถ้าอย่างน้อยเขาที่ว่าเป็นกุศโลบายก็ยังดีคถ้าก็ยังปฏิบัติตามคําสอนเพื่อให้คนเราอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็ยนเป็นสุดก็คือมีเสียมีสัตว์ก็ยังดีคดีกว่าไม่เชื่อเลยครับ ใช่เขยังเชื่อเรื่องการรักษาศีลว่า เ, เป็นกุศโลบายบเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อการอยู่กันอย่างมีความสุขก็อย่างน้อยก็ยังไม่ไม่ไม่เวลวร้ายเกินไปถ้าก็ไม่เชื่อเรื่องศีลอะไนี้น่ากลัวกว่าครัครถ้าเชื่อก็กกยังดีก็ต้องให้เขามีโอกาสได้ศึกษาฟังเทศฟังธรรมก็อาห น, นังสือที่เป็นธรรมะที่ความของจริงอาจจะไม่ต้องไปให้เขาหรอกที่ไม่ในบ้านนี่แหละ วันดีขึ้นดีเขามีเวลาว่างเขามีความไม่สบายใจบางทีเขาก็จะหยิบขึ้นมาอ่านเองอัตมาเคยมีญาติคนหนึ่งเขามาหาอัตมาแต่ละครั้งก็เอาหนังสือกลับไปแต่เขาบอกเขาไม่เคยอ่านเลยแล้ววันหนึ่งเขาเจอความทุกข์มากเขาไม่รู้จะหาที่พึ่งไหนก็เลยลองเปิดหนังสือธรรมะอ่านดูว่านแล้วก็ทําให้เขาความทุกข์ของเขาเบาลงไปเขาก็เลยเห็นคุณค่าของหนังสือธรรมะเห็นคุณค่าของธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้า แต่ของพวกนี้เป็นสิ่งที่เรายติเยียดให้เขาไม่ได้ถ้ายิ่งยติเยียดเขายิ่งต่อต้านเพราะเราอย่าไปพยายามอย่าไปยัดเยียดปล่อยวางไว้เฉยๆให้ถึงเวลาเขาต้องการหาที่พึ่งเขาก็จะหาเองเมื่อก่อนลอราอาตมา ก, ก็ไม่เคยสนใจเรื่องศาสนาเรียนหนังสือไปอยู่เมืองนอกก็ไปหาความสุขทางร่างกายกันแต่บนถึงจุดอิ่มตัววันหนึ่งว่ามันก็มีท่า น, นี้แหละความสุขแล้วความทุกข์ก็ไม่หายไปก็เลยทําให้สนใจอยากจะหาทางอื่น ก็ได้ลองหาหนังสือธรรมะมาอ่านเขาเพราะอ่านแล้วมันก็ได้ความรู้ที่สามารถมากาจัดความทุกข์ความไม่สบายใจสร้างความสุขที่เราไม่เคยมีมาก่อนได้เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของการเรียนรู้ชีวิตคนเราบางที่ลองผิดลองถูกไปก่อนตอนนี้เขาอยากจะลองผิดก็ให้ลองผิดไปก่อนเดี๋ยวเขารู้ว่ามันผิดเขาก็จะกลับมาเองเขาจะได้หายสงสัยถ้าเราไปย่ดเยียดเขาเขาก็ยังสงสัยว่าทางนี้ถูกหรือไม่ถูกอยู่ อย่างเปล่อยให้เขาไปมันสุดไปเจอความทุกข์แบบสุดๆแล้วเขาก็จะถอยกลับมาเองนะอกนะนะ็ไม่ต้องไปกังวลเอนะอย่างน้อยก็ยังดีที่เขายังเชื่อในเรื่องของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขไม่เบียดเบียนกันเือนะเขาไปอ่านชาดกแล้วเขาไม่เชื่อว่าใครเกิดมาจะมีดอกดัวรองรับเท้านะใครจะห่อได้ใอะไรเงี้ยเขไม่เชื่อเลยอันนั้นมันไม่เป็นประเด็นสําคัญครับผมก็อธิบายครับนะเพรานะว่าประเด็นสําคัญนะแต่บางที คนที่เอามาสอนมักจะไปเน้นประเด็นที่ไม่สำคัญเพื่อให้คนที่จัดท่า น, นั้นเองแต่คนที่มีปัญญาเขาไม่ถึงเรื่องเราหล่านี้เป็นเรื่องสําคัญเขาเสนใเรื่องสําคัญก็คือหัวใจของศาสนาที่สอนว่าความทุกข์ของพวกเรานี้เกิดจากความอยากของพวกเราเองและถ้าเรากำจัดความอยากได้เราจะไม่มีความทุกข์ในใจอันนี้คือประเด็นสําคัญของศาสนาที่ทุกคนเข้าไม่ถึงกันก็เลยไปติดอยู่กับไอ้เรื่อง เรื่องเวีวยนไหวตายเกิดเรื่องทำบุญแล้วกลับมาเกิดมันมหาเศรษฐีหรือเป็นอะไรไปอะไรอันเรื่องนั้นมันไม่ได้เป็นประเด็นสําคัญของศาสน า, ศาประเด็นของสําคัญอยู่ที่อริยสัจสี่เท่านี้ให้เข้าไปอ่านอริยสัจสี่ดูก็แล้วกันถ้าอยากจะศึกษาพระพุทธศาสน า, ศาอันเรื่องอย่างอื่นจะเชื่อไม่เชื่อไม่สําคัญตายแล้วจะกลับมาเกิดหรือไม่ไม่สําคัญจะเกิดมาจนมารวยไม่สําคัญขอให้ศึกษาอริยสัจสีแล้ว ปฏิบัติตามที่อริยสัจสีแสดงไว้ให้ได้ก็แล้วกันครับผมก็เคยมอบผ้าไปให้เขา เ, เขาก็ยังห้อยคออยู่แต่จใจเขาคงต่อต้านยิบยิบนะครับแต่ผมก็ให้เขาห้อยอยู่ออจริง <c oughs> ห้อยผ้าก็ผิดผิดเจตนาองครพวกเรามั่จะคิดห้อยพ้าเพื่อคุ้มครองร่างกายมันคุ้มครองไม่ได้หรอกพระที่ให้มีไหว้ห้อยพ้าให้เพื่อเราเลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าถึงวิถีชีวิตของพระพุทธเจ้าต่างหาก แต่เราห้อยแล้วแต่เราก็ไม่เคยนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เคยนึกถึงอริยสัจ ส, สี่ว่าความทุกข์ของเราเกิดจากกิเลสตัณหาของเราเราก็ยังทำตามกิเลสตัณหาอยู่การห้อยไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ห้อยก็ไม่เป็นไรถ้าอยากจะห้อยก็ห้อยไปไม่ได้ห้ามบางทีก็เป็นที่พึ่งทางใจอย่างนั้นก็มีความอบอุ่นใจว่ามีที่พึ่งแต่ความที่พึ่งทางใจที่แท้จริงคือ คำสอนและการปฏิบัติตามคำสอนนั้นอาล้วนะวันนี้พอสมควรแก่เวลาขออนุโมทนานกะคุณต่อุาสตรสะเวลามาถ่ายทอดสด